อาจารย์ครั บ, ก, บ ก, การนัสศกาครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกรับนสัส ก, การพระอาจารย์ครับพรอาจารย์ครับวันนี้มีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมที่ใส่กันที่ที่มาใส่กันเองก็หกร้อยสี่สิบห้าคนแล้วที่ฝากใส่ให้มาค้าก็าใส่ให้ประมาณสี่ร้อยสิบคน ก็ได้ได้พันห้าร้อยห้าพันพันกว่าคนพันกว่าคนครับอาจารย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้ววันพระด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เออใช่ตรงกันตรงกันคนที่ใส่ประจําวันพระเขก็ใส่วันนี้คนที่ใส่ประจําวันอาทิตย์ก็มาใส่วันนี้้เยอะคือนันได้ยอดสูงขึ้นธรรมดาถ้าวันเสาร์เด็ดไม่ใช่เป็นวันพระกับวันสี่ร้อยพิเศษ อ๋อใช้พระบานบอกด้วยเมื่อวันเสาร์ไปเดินกับพระอาจารย์ได้สี่ร้ยสิบคนครับอืมก็วันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแลครับพระอาจารย์ครับจะขอปัญญาพระอาจารย์เรื่องทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในครับพระอาจารย์ครับกับขอความเมตตาครับผมก็คือทรัพย์ภายนอกก็คือเงินทองที่เราหากันอยู่เนี่ทรัพย์สินต่างๆที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอก แต่ก็เป็นทรัพย์ชั่วคราวชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าตายไปเราก็ทรัพย์เหล่านี้ไปไม่ได้บางทีทรัพย์เหล่านี้อาจจะหมดก่อนที่เราตายก็ได้บางคนเจอภาวะลมละลายทรัพย์ภายนอกก็เป็นทรัพย์ที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของตายหลัก น, นี้จังทุกข์กลางนาฏตา มันก็จะทําทให้เราไม่ตกกังวลกันเรื่องทรัพย์สมบัติอยู่เลยทุกวันนี้ที่ทํางานกันเล่นนนกันเครียดกันเรื่องทรัพย์อะไรไม่ใช่เรื่องอะไรทรัพย์ภานอกก็กลัวเพราะว่ากลัวจะไม่พอใช้กันเอส่วนใหญ่ก็ไม่พอใช้กันถึงเรื่องน้องเขามันเดินเพิ่มันอยู่เรื่อยเรอยพราะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากมันมันต้องการมากขึ้นไปเรื่อ ย, รอยทรัพย์ ทรัพย์ภายนอกมันก็ไม่สามารถทําให้จิตใจมีความอิ่มความพอได้ต้องอาศัยทรัพย์ภายในที่จะทําให้จิตใจเรามีความสุขมีความสบายที่ทรัพย์ภายในมันก็มีหลายระดับด้วยกันนะตั้งแต่มนุษยทรัพย์คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นถือว่าอเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง ดีาไปเกิดเป็นสนาาัตว์ในราจฉนแล้วไปตกนรกเนี่ยไปตกนรกก็เหมือนกับไปติดคุกติดตารางเป็นหนี้สินต้องไปใช้หนี้เพราะเกิดจากการทําบาปต่างๆปัญญาจะกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องไม่มีบาปติดตัวมาแล้วบาป ท, ที่ได้ทําไว้ได้ไปใช้ไหมดแล้วด้วยบุญกับบาป ท, ที่เรามีสะสมไว้นในใจมันมี มีกำลังเท่ากันบุญก็หนึ่งเราไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็หนึ่งเราไปอบายไม่ได้เราก็จะอยู่ในฐานะของมนุษย์เราก็จะเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นภพชาติที่ดีถ้าเปรียบเทียบกับภพบชาติของสัตว์เดรัจฉานที่ต่ำกว่าแลของเปรตของวัตุร่างกายของนรก ดังนั้นการที่เราจะมีทรัพย์ทรัพย์ของมนุษย์ได้เราต้องรักษาสีหน้าให้ได้ไม่ไม่กระทำบาปเพื่ออย่างน้อยไม่ให้บาปนี้ย่งที่เราทํามากกว่าบุญที่เราทำํำถ้าสมมุติตอนที่เราตายไปถ้าบุญที่เราสะสมไว้กับบาป ท, ที่เราสะสมไม่ได้ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปอาบายัยตอนนั้นเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ การจะเป็นมนุษย์ด้านนี้เราจะต้องอไม่ทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่วิเศษกว่า น, นี้ที่มีคุณค่ามากกว่ามนุษย์ก็ก็คือเทพบุตรการได้ไปสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพการจะไปสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องเพิ่มการทําบุญทําบุญให้ทาน นอกจากรักษาสีนหน้าเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราอยากจะย ก, กระดับจากมนุษย์ขึ้นไปเราก็ต้องทําบุญทําทานทําบุญทําทานควบคู่กับการรักษาศีนหน้าไปไม่ทําบาปตา่างๆพอเวลาเราตายไปถ้าบุญมันมีมากกว่า บ, บาปเพราะบาปเราไม่ทําเราพยายามรักษาศีหรือถ้ า, า จ, จะมีการพังเผอทําไปบ้างก็ขอให้บุญที่เราทํามากกว่าบาปที่เราทําก็แล้วกันเราก็จะได้เทมทซับเลย ถ้าบุญกับบาปในใจเราเท่ากันเราก็จะได้มนุษยทรัพย์ถ้าบาปมากกว่าบุญในใจเราเราก็จะได้เดรัฉานทรัพย์อบายทรนี่คือลักษณะของทรัพย์ภายในแล้วสูงกับทรัพย์เทวทัพย์ก็ยังมีพรหมทรัพย์อีกมีการที่เราจะได้พรหมทรัพย์นี่เราต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาจัดเรียงสติฝึกสมาธิทําจิตให้สงบ ให้เข้าฌานขั้นตา่างๆถ้าได้รูปฌานก็จะได้รูปท ร, รัพย์รูปประพรมได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมถ้าได้เขา้าเข้ารูปฌานได้ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอรูปประพมแล้วสูงกว่าสวรรค์ชั้นพมก็มีสวรรค์ชัน้นอัลชั้นอัลยเจ้าที่เ ร, รียาอัลยัทรัพท์ ระสั้นก็มีสี่ชั้นด้วยกันโสดาบันสกิดาคามีอานาคามีการอยากขึ้นสูริยะสั้นได้ก็ต้องเพิการปฏิบัติเพิ่มเพิ่อีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาภาวนาพอเราได้สมถะภาวนาได้รูปปัจจานะรูปปัจจานแล้วขั้นต่อไปถ้าเราอยากจะไปเป็นพระลริขิตบุคคลเราก็พิจารณ า, ากฎของกฎแห่งกรรมกฎชงตายละ อาเรื่องนสัจสีให้เราเข้าใจว่าการที่เรายังมาติดอยู่กับตายพบยังอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเรายังมีความอยากในการมาพ บ, พบ ใ, นในรูปพบเนื้อในรูปรพบอยู่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยากจะลุนออกจากตายพบไปสู่พนานิชานเราก็ต้องพิจารณา พิจารณาการมว่าเป็นของไม่เที่ยงการมมงคลห้าเป็นของไม่เที่ยงไม่เสพกรรมละการเสพการมพิจารณาว่ารูปฌานก็เป็นของไม่เที่ยงอรูปฌานก็เป็นของไม่เที่ยงไม่เสพรูปฌานไม่คือไม่มีความอยากเสพอะไรทั้งสิ้นถ้าตัดความอยากทั้งหมดได้ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลําดับ อันนก็เป็นทรัพย์ขั้นสูงสุดคือขั้นพอขั้นเถ็นขั้นพระอาหานต์ก็จะได้พระนิพพานเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในที่เป็นทรัพย์ที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่ก็คือขั้นตอนของการสร้างทรัพย์ต่างๆขึ้นมาตามคําสัง่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็ต้องมีศรทัรทธาศรัทธาในา พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์ในคำสอน เมื่อมีสัทธาแล้วเราก็จะได้ศึกษาเนี่ย <Yeah. S 1> ว่าการจะสร้างทรัพย์ต่างๆนี้สร้างอย่างไรพอเรารู้วลาเราก็นำเป้าไปปฏิบัติหน้การกระทำบาปทั้งปวงเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ด้วยเราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการภาวนาจิตตสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนา เราก็จะได้พรมัซั์จากพรมาซั์เราก็จะได้ขึ้นสู่อริยสัม์ไปตามลา ด, ดับรับเหล่านี้ไปกับใจเราเวลาที่เราตายตายไปนี้เราซับเหบ่นี้ไปได้หมดสมมติถ้าเรามีมนุษย์เซาซับเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลยไม่ต้องไปหรอไม่ต้องไปใช้บาปไม่ต้องไปไปรับผลบุญ แต่ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเราก็ไปเที่ยวก่อนเที่ยวในโลกทิ่ยวสักพักก่อนไ ม, ยอย ไ, ไ, ไม่เสียหายัรงไหนไปสวรรค์ไม่เสียหายสวรรค์มีความสุขมากกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยการการการไปไปสวรรค์นี่ก็เหมือนตอนที่เราไปท่องเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่ต้องทํางานไม่ต้องหาเงินหาทองมีเงินเก็บสะสมไว้เราก็ไปเที่ยวกันเวลาที่เรากลับมาทํางานนี่ก็เหมือนกนรารกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราเกิดมเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาทำบุญทำอะไรกันสะสมทรัพย์ภายในกันถ้าไม่มีทรัพย์ภายในก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วให้ให้ผลนานไหยครับอาจารย์ครับทรัพย์ภายในนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆัหมครับก็กทำมากทำน้อยไงทำมากก็อยู่กับเรานา น, านถ้าทำน้อยก็อยู่กับเราไม่นานอยู่มันทำมากทำน้อยป ร, ริ ม, มาณของทรัพย์ที่เราทามันก็จะทาให้เรา มีความสุขมากสุขน้อยสวรรค์ในบกชั้นด้วยกันครับแล้วก็มากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงแล้วก็จะอยู่ได้นานถ้าทําน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นชั้นต่ําแล้วก็อยู่ได้ไม่นานอผมมาูฟังอรื่องนี้ก็คงจะได้ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก <c oughs> ันเยอะครับพอได้ฟังว่าจานเยอะแล้วครับ เาเที่ยวสวรรค์ก็คือเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันดีครับบางทีฝันดีบางวันนี่บางทีตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะกลับไปนอนต่อก็มีเพราะอยากจะกลับมาเจอสภาพของความทุกข์ของความเป็นมนุษยเลยเ <laughs> จอ ก, กับปัญหาต่างๆมากมายอยากจะกลับไปนอนฝันต่อฝันว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นพนักงานทํา ง, งานหาชอบกินครับ งั้นก็พยายามทำบุญเยอะๆทำบุญไปเรื่อยๆครับผมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมก็จะพยายามสะสมอุปยาศยให้มากขึ้นต่อไปอ <นะ S 2> ีกอย่างหนึ่งบุญที่ทำนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนทรัพย์นะอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์ที่เราทำว่ากี่กี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าอ่คนทำน้อหนึ่งนี้จะได้ได้บุญมากกว่าคนที่ทำแสน คนทำแสนนั้นจะได้บุญมากกว่าคนทําร้านก็นได้ถ้าสัดส่วนของเงนที่เขาทำไปนี้ร้อยละมากร้อยสมมติว่าร้อยละห้าสิบคนที่มีแสนหนึ่งทำคนที่มีล้านหนึ่งทำแสนคนที่มีสองแสนทํำแสนหนึ่งก็เท่ากับทาร้อยละร้อยละห้าสิบคนที่มีสิบล้านทําล้านหนึ่งก็แทาทําทแค่ร้อยละสิบเท่า น, นั้นเองคนที่ทํำแสน น, นี้กลับได้บุญมากกว่าได้ความสุขมากกว่า อะนั้นคนยากจนไม่ต้องกลัวยิ่งยากจนยิ่งใช้ใช้เงินน้อยใอย่างเรเร์เลชจ่ายเงินเข้าสวน้อยน้อยหน่อยเพราะเราเขาคิดตามตามกาลังทรัพย์ที่เราสามารถที่จะจ่ายได้ครับผมเป็นเลเบิร์เลชแล้วครับอาจารย์เป็นสัดส่วนของใจครนบองคนไม่เข้าใจคือเราต้องโดยเราถึงจะสามารถทําบุญได้เยอะกว่าคนที่ยากจนไม่จริงหรอ ต้องดูที่สัดส่วนของทราบที่เราเราทำแลเราเสียไปเท่าไหร่อ๋อใชสมัยพุทธกาลมีคนที่เขาปลูกแค่หญ้าขาไอ้หญ้าให้พระพุทธเจ้านั่งนั่นก็แบบมหาศาสเลยเขามีแค่นั้นเขามีามแค่นั้น<ๆ>ก็ทำาระอาจารย์ครับขอโอกาสถามคาถามจากเพื่อนๆนบ้างนะครับรู้ว่าขันห้าคือตัว แต่ทำไมยังไม่สามารถละสมุทัยได้เลยเหมือนรู้ไม่จริงจากข้างในใจเพียงรู้จากการฟังครูบาอาจารย์มาเท่านั้นจึงขอความกรุณาพระอาจารย์ชี้แนะครับการเรียนรู้มีสามระดับไงปัญญามีสามระดับระดับแรกก็คือการเรียนรู้เรียนรู้จากผู้อื่นและยินได้ฟังเขาเล่ามาแต่เราอย่างบางทีฟังแล้วเราลืมก็ได้ฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจก็ได้ ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็จะไปละสมุทัยไม่ได้ขั้นที่สองเมื่อเราฟังแล้วเราก็ฟังบ่อยๆไม่เข้าใจก็ถามวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเป็นการสร้างเข้าใจอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเี่แต่ก็ยังละไม่ได้ถึงแม่รู้ว่าเข้าใจแล้วว่าเกิดจากความอยากของเราเพราะใจของเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องไปปฏิบัติ ซึ่เป็นปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยายปัญญาก็คือไปภาวนาไปทําสมะถะภาวนาไปทําสมาธิเพื่อหยุดความอยากให้ได้เวลาเราทําทําสมาธิเวลาจิตสงบเนีงความอยากก็หยุดทํางานแต่สมาธิหยุดความอยากได้แต่ไม่สามารถทําลายมันได้ต้องมาศัยปัญญามามาเสริม ปัญญาก็จะเห็นว่าถ้าทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุข เ, เพราะมันสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงได้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันหมดไปเราก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเช่นได้นคนที่เรารักมาเป็นแฟนอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวเขาจากออกไปเราก็เศร้าใจเสียใจเป็น ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นความสุขชั่วคราวจะนำไปสู่ความเสียใ จ, จไปสู่ความทุกข์ใจต่อไปมันก็ไม่อยากได้อันนี้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีสติมีสมาธิที่จะหยุดความอยากได้มันก็จะเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่สามารถณสมุทัยได้ต้องเป็นขั้นที่สามนี่ปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการเรียนรู้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเราไม่รู้เรื่องอริยสัจเลยว่าทุกข์เราเกิดจากอะไร พอเราได้อ่านหนังสือได้ยินได้ฟังแล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแต่เรายังอาจจะลืมพอเวลาเราไปอยากไปเที่ยวขึ้นมาก็ลืมนะเพราะว่าพาไปไปเที่ยวเดี๋ยวจะต้องทุกมาที่หลังนะเชเงินหมดเนี่ยไปเที่ยวหลือเงินก็หมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดทีนี้ก็เรามาคิดถึงเรื่องการจ่ายบัตรเครดิตก็ถึงเราจะเราเราไปใช้บัตรเครดิตแล้วไงทุกตามมานะเราเผลอเราลืมไง ว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามาคิดบ่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราคิดอยากจะไปทําอะไรตามความอยากเราจําได้ว่าอย่าทํำนะทํำตามความอยากแล้วจะไปสู่ความทุกข์ถึงแต่ถึถงแม้จะจําได้แต่บางทีความอยากมันก็ยังแรงกว่ามันก็อ้างนู่นอ้างนีง่ขอไปทุกครั้งนะครั้งสุดท้ายก่อนะ <c oughs> มันก็ยังอ้างให้เราทําตามมันอยู่ได้แล้วเราก็ไม่มีกําลังที่จะฝืนมันสู้มันได้ เราต้องไปขั้นที่สามต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิไปทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิมีอยเบคาเนี่ทีนี้เราจําได้แล้วว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์เราก็ไม่ทําแล้วเราก็หยุดความอยากได้เพราะเรามีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้อันนั้นก็จะกลายเป็นภาวนาะเมญปัญญาเป็นขั้นที่สามไปขั้นที่หนึ่งเรียกวสุตตะเมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นําไปสู่การจินตามัจยปัญญาขั้นที่สองก็อเอาไปคิดบอ่บอยๆไปสอนเตือนใจบอ่อยๆอย่าทำตามความอยากนะกาตามความอยากนั้นจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปทําไว้แต่ถึงขนาดนั้นจําได้อยู่บางทีก็ยังสู้กิเลสไม่ไสู้ความอยากไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิ จนสามารถทําจิตให้นิ่งสงบได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็ใช้ปัญญามาสอนว่าการทําตามความอยากก็คือจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเรามีทั้งสองอย่างนี้ก็จะเป็นภาวนามายปัญญาภาวนาก็สามัคคีภาวนาปัญญาก็คือปัญญาที่เราได้ได้ยินได้ฟังได้ต่้งตองได้คิดมาอยู่จนไม่หลบไม่เลย ต้องถึงระดับที่สามถึงจะสามารถที่จะหยุดความอยาก ไ, ได้ัะสมุทัยได้องไปฝึกเนั่งสมาธิกันในนี้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมสอนว่าไม่ต้องนั่งไม่น้องนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาอย่างเดียวหยุดได้ลองํำดูสิได้ยินได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยครับอาจารย์แบบนี้ครับ แล้วสมาสมาธิมีไว้ทำไมสมาสติมีไว้ทำไมพู้เจ้าสอนทำไมก็ตัดไปเลยครับแค่สมาธิ ท, ทิสมาสามังกปุกก็พอนั่นคือตัวปัญญาคุณดำครับบอกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมบาทให้เข้าใจง่ายๆครับคือมันเป็นเรื่องของการทำงานของของใจใจนี้ จะทํางานมันก็อาศัยต้องมีผู้สั่งการให้มันทํางานถ้าใจมีอวิชชาความหลงเป็นผู้สั่งการความหลงก็จะสั่งให้สังขารนี่ไปหาความสุขจากโลกทรรหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกินรสการที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่อ ง, งมือก็ต้องส่งวิญญาณไปเกาะร่างกายนะ อวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราก็สั่งให้วิญญาณไปหาร่างกายมาเกาะเนี่ยไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปที่ไปที่พยัญชนะภ า, นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายพอวิญญาณได้เชื่อมกับร่างกายได้เชื่อมกับตาหูจมูกนิ้นกายพอตาหูจมูกลิ้นกายรับสัมผัสกับรูปเสียงกีดลดรูปเสียงกีดลดมันก็เข้ามาที่ใจได้ใจเป็นผู้รับรูเป็นผู้รู้อ้อตอนนี้มีรูปเนีเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้ว เหมือนกับเราไปซื้อกล้องมาเนี่ยเราไปซื้อเครื่องอัดเสียงมาออตอนที่เราสามารถมองเห็นถ้าเราไม่มีกล้องไม่มีไม่มีไมโครโฟนเราก็ไม่สามารถที่จะรับรูปรับเสียงได้อันนี้ก็เหมือนกันเครื่องกล้องเราเนี่ยมันจะรับรูปมันก็ต้องมีกล้องติดไว้ใช่ไหมให้มันมีไมโครโฟนให้มันมันจะได้รับรูปรับเสียงมาได้ใจ ก, ก็แบบเดียวกันใจไม่มีตาคงจะเหมือนกัน ที่จะไปเสพรูปเสียงเกิลดลบผลทพัตได้ก็ต้องมีร่างกายการจะที่การที่จะไปมิ้นจะไปเชื่อมต่อกับร่างกายก็ต้องมีวิญญาณในนามขันนี่วิญญาณที่มีห้าเส้นในกันไปเกาะติดที่ตาหูจมูกนิ้นกายพอเกาะแล้วพอรูปเสียงเกิลดลมาเข้ามาสัมพันธ์กับตาหูจมูกนิ้วกายมันก็เข้ามาที่ใจนะใจก็รับรู้อ๋อเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วพอมันได้รูปเสียงมามันก็ไปวิเคราะห์ด้วยสัญญา ความจำได้ไหมรู้ว่าเป็นรูปเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่ดีที่ที่มีประโยชน์หรือเป็นรูปที่เป็นพิษเป็นภายกับเรารูปเสียงกลินีดที่เป็นพิษเป็นภายกับเรามันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นประโยชน์มันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเช่นเห็นเงินเห็นทองไม่เอามันก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะสุขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าเห็นงูเลยมานี่ก็กลายเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ พอเกิดเวทนามันก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งว่าจะทํำยังไงดีสั่งร่างกายให้ทำอะไร ด, สไรดีสั่งให้ไปเอามาก็สั่งให้โยนทิ้งไปถ้าไปเจอเงินทองก็ให้เก็บมาถ้าไปเจอเขอยะก็ให้โยนทิ้งไปนี่คือการทํางานของของใจแล้วพอพอเกิดเกิดสังขารก็สังขารก็จะเกิดตัญหาตามมาเพราะเราอยากได้ขึ้นมาถ้าเห็นเงินทองก็อยากได้ เอให้ไปเอาไปเอาเงินทองมาพอได้เงินทองก็เกิดอุปทานยึดบ้านติดกับเงินกับทองต้องมีเงินมีทองอยู่เรื่อยถ้าเวลาที่ไม่มีเงินมีทองก็ต้องไปหาใหม่ท่านเวลาร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเพราะแต่ความอยากจะมีเงินอยากจะใช้เงินใช้ทองมันก็ยังอยู่ในใจอยู่มันก็จะไปเกิดใหม่ไปไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ อันนี้คือการทํางานของของปฏิจจสมของการทํางานของจิตใจที่อยู่ภายใต้อํานาจของอวิชชาเป็นผู้สั่งการอาวิชชาคือความหลงหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่นอกกระทํำทั้งสีน่นี่ถ้าเรามีธรรมะธรรมะก็สอนว่าความสมุขอยที่ความสงบของใจให้ดึงใจกลับเข้ามาให้ดึงวิญญาณออกจากตาหูจมูกนิ้นกาย ด้วยการใช้สติบริรภคพุทโธพุทโธพอพุทโธมีกาําลังก็ดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้อยู่ในสมาธิอยู่กับความสงบแล้วก็อยู่กับความสุขพอเจอความสุขว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจก็เลยเลิกเลิกที่ออกไปหาความสุขผ่านทางร่างกายตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ทอบ พวกที่เขาเข้าสมาธิได้ก็ไม่ไปเที่ยวกันใช่ไหมก็ไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตา่างๆเขจะไปหาที่เปรกมิวเวกอย่างลุงปู่มั่นมาอยู่ป่าอยูใ่ในเขาคนเดียวเปรกมิ้วเวกอยู่อดอยากลาบากขาดแคลนทางด้านอาหารที่วาสัยแต่ท่านไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีความสุขจากการที่ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบดึงดึงวิญญาณออกจากตาของจมกูกนิ้นกายให้เข้าไปสู่ใน ฐานของจิตคือสมาธิก็เลยไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปคุณบล็อกแก๊งครับเรียนถามพระอาจารย์ผู้ป่วยเตรียมตูเตรียมก่อนตายสั่งลูกว่างานศพให้บริจาคเงิน องค์กรต่างๆในงานศพผู้ตายจะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะผู้ตายไม่รู้แล้วตอนที่ตายว่าได้ทําได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าอยากจะได้บุญก็ทําตอนที่ยังไม่ตายเสิเอามาบริจาก อ, องค์กรต่างๆไปแต่เวลาตายไปแล้วไม่รู้เรื่องนี้เป็นที่เป็นของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วพอเราตายไปมันมันเป็นของคนอื่นไปล้ของคนที่เข้าไม่ชีวิตอยู่ คนที่มีชีวิตอยู่เขาอยาไปทําบุญตามที่เราสั่งก็ได้แล้วเขาอยาไม่เอาไปทำก็ได้ครับอืเราก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนที่เรายังไม่ตายเช่นเวอาจลอยจากร่างกายหลังจากที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าบอยจากอวัยวะบางส่วนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ได้บุญเช่นลอยจากตาไปข้างหนึ่งบอยจากไตไปข้างหนึ่งบอยจากเลือดอย่างเงี้ยเพราะเรารู้เนี่ยเรารู้ว่าเราได้เสียเราได้เสียสละ สิ่งที่เรารักเราห่วงไปเราได้ปล่อยเขาเราได้คลายอุปทานความหลงความ ย, ยึดติดใน้ในเอาไว้เอาไว้เยวะของเราพอเราให้ไปแล้วใจเราก็โล่งใจมีความสุขมีความสบายใจขึ้นแต่มันมุ่ก็คือความสุขใจขโล่งใจแต่ถ้าเวลาตายไปแล้วไม่รู้เนี่ยว่าใครก็อาไปทําอะไรร่างกายของเราเขาโ ย, ยทําอะไรก็ไม่รู้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่เขาใครจะไปทําอะไ ร, ไะไรเราก็ไม่รู้ อะไรไม่ได้บต้องให้ไปเลยก่อนต้องให้ไปเลยไม่ตายคุณนัดวไลพันธ์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานอนไม่มีสติถ้าตายขณะหลับถือว่าตายขณะขาดสติหรือเปล่าครับแล้วจะไปอบายไหมครับเวลานอนมันก็ไม่มีสติแต่เวลามันจะตายมันก็จะตื่นตกมันตกลงขึ้นมาทันทีมันไม่ได้ตายแบบไม่รู้เรื่อง เวลาร่างกายมันเป็นอะไรมันก็จะทําให้เราเตื่นจากตอนนอนหลับขึ้นมาทันทีทีนี้นเราจะมีสติมากน้อยที่เราจะปฏิบัติเกี่ยวเหตุการณ์นั้นก็ขึ้นอยู่การฝึกฝนลงมาถ้าเราไม่มีสติก็อาจจะเป็นสติแตกตกใจไปเลยก็ได้แต่ถ้ามีสติเราก็สามารถควบคุมใจอันนี้ก็์สายอยู่การฝึกเนี่ยในการทำบุญทำบารนี่มันก็จะเป็นตัวที่จะมาจัดการกับเราในขณะที่เรา ที่ย่อกองจะตายไปถ้าบาปมีกําลังเมากกว่มันก็จะสร้างความเครียดข้ามความทุกข์ให้กับใจถ้าใจมีบุญมากกว่ามันก็จะสร้างความสงบสร้างความสบายให้กับใจก็ตายอย่างสงบหรือตายอย่างเครียดตายอย่างก็อยู่ที่บุญที่บาปเราได้สะสมไว้เพตอะนั้นเราจะมาตั้งจิตมันทำจิตสุดท้ายมันทําไม่ได้เราปูแต่งมาจัดมาแต่งจิตสุดท้ายให้สวยให้งามไม่ได้เรา มันแต่งสพแต่งคนศพตายแต่งให้มันสวยยังไงมันก็ไม่สวยมันคนคนที่มีชีวิตอยู่เราจะมาแต่งแต่งแต่งจิตของเราในว่าสุดท้ายให้มันสวยให้มันงามมันแต่งไม่ได้หรอกคุณแว่นครับซับภายในทําให้ติดตามข้ามภพข้ามชาติทําอย่างไรบ้างครับมันก็อยู่ในใจทําบุญบุญคือความสุขใจเห็นใจมันก็ติดอยู่ในใจเรา ทำบาปก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจมันก็ติดอยู่ในใจของเรามันก็ไปกับเราเวลาใจใจเราคือใจไงพอร่างกายตายไปใจก็ไปสิ่งที่ที่สะสมไว้ในใจมันก็ไปด้วยมีคนกานราบนัสักการะอาจารย์มาเต็มเลยครับก็เลยโดนคําถามโดนเบียดออกไปเยอะครับอาจารคุณไลโคพีนครับ อาจารย์ครับอะไรบ้างครับที่ทำให้ฌานเสื่อมครับเราไม่มีสติไงถ้าเราไม่ฝึกสติเรื่อยๆถึงแม้เราเคเข้าฌานได้แล้วพอเราเริกเข้าเราเริ่กฝึกสติเนั่งสมาธิต่อไปไมันก็เข้าไม่ได้อย่างหลงตาท่านก็เคยเล่าว่าอสมาธิท่านเสื่อมจิตเสื่อมก็คือสมาธิเสื่อมเพราะว่าท่านไม่ได้ภาวนาอยู่เดือนหนึ่งท่านบอกท่านเอาเวลาไปทำกรดนั้นจะไปออกทุ่นงนงออกไปทุ่นงนงออกทุ่งนงก็ต้องมีกรด แั่นก็นจใช้เวลาทํำกฎในไม่เวลามาภาวนาพอทํำกฎเสร็จพอจะมานั่งสมาธิให้มันเข้าเหมือนเคยเข้าได้ไม่เข้าแลนะ้วเพราะมันไม่สติมานั่งคิดปูนแต่งอยู่เนียแล้วก็คิดถึงว่าทําไมเข้าไม่ได้อยากจะเข้ายิ่งอยากก็ยิ่งถานยิ่งยิ่งเครียดขึ้นไปใหญ่ก็เลยรู้แล้วว่านี่ผิดวิธีการ น, นั่งสมาธิก็ย้อนกลับไปว่าการจะเข้าสมาธิเมื่อก่อนท่านทำยังไงท่านแบอบกอ๋เอเขาตั้นนึกอยู่นะครับว่าพุโทโธพุทโธอย่างเดียว ท่านก็ย้อนกลับมาเจริญสติใหม่ฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเดิยนยืนนั่งน้อยกับพุโทโธพุโทโธไปแล้วพออย่งสมาธิกับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงผลที่จะได้หรือไม่ได้ไม่ไปอยากได้แล้วได้ให้จิตสงบให้อยู่กับพุโทโธเพี ย, ง, ยงเดียวถ้าสงบก็กลับเขา้เข า, เขาสู่สมาธิได้คุณแคทครับ กรณีหมอให้ลูกเซ็นยินยอมให้แม่ที่อายุ89ปีมีอาการโคมา่าให้ท่านไปสบายไม่ต้องทรมานบาปไหมครับก็ให้ท่านไปแบบไหนถ้าให้ท่านไปด้วยการฉีดยาให้ท่านตายนั่นก็บาปแต่ถ้า ย, ยุดยุติการรักษาแล้วให้ท่านอไปโดยโดยธรรมชาติของท่านอันนี้ก็ไม่บาปให้ยาได้ไหมาถ้าว่าให้ยารักษาอาการตามอาการไป ตามที่หมอรักษาแต่ไม่ได้เป็นให้ยาแบบที่ทําให้คนไข้าตายถ้าให้ยาแบบที่ทําให้คนไข้าตายเนี่เรียกว่าเป็นเป็นการฆ่าใช่ไหมเป็นการมีเจตนาให้เขาตายแล้วก็มีวิธีทำมีมีการกระทําที่ทําให้เขาตายนี่ก็เรียกว่าบาปแต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะประคับประคองร่างกายเขาไปตามตามสภาพือ mm hmm. ถ้ามียาให้เขากินก็กินอะไรทำนองนี้ เรือถ้าเราจะลดการรักษาก็ได้อย่างนี้ก็ไม่บาปเช่นเมื่อก่อนอาจจะมีสายยางให้อาหารอะไรี้มีสายยางให้เลือดมีสายยางให้อะไรถ้าเราบอกต้องการยุติการการรักษานี้ก็ไม่บาปถอดสายยาองออกหมดก็ได้อย่างนี้ไม่บาปนั่นก็ปล่อยให้ร่างกายมันเรี้ยงดูตัวมันเองดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมถ้าถึงเวลากินเราก็เอาอาหารมาให้เขาถ้าเขาตัด ก, กินเองได้ก็ให้เขากินเองแต่ถ้าเขา กนเไม่ได้ก็ก็เขาก็ต้องอดไปหายใจเองได้หรือเปล่าหายใจเองได้ก็หายไปไม่ต้องใช้เครื่องอุดช่วยหายใจดื่มน้ำเองได้หรือเปล่าดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มดังนั้ก็ทําทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยทําให้เขาไม่ใช่ใช้สายยางต่างๆแล้วก็คอยป้อนอาหารป้อนเรื่องป้อนอนมอะไรต่างๆให้อย่างนี้เขาไม่ได้ทํา ด้วยตัวเขาเองเรายุติการกระทําเหล่านี้ได้ไม่บาัาคับคุณไลโคพีนครับอะไรคือข้อเสียของการมีสัญญาบ้างครับสัญญามันไม่มีข้อเสียหรอกมันอยู่ที่ว่าเราใบจำอะไรจำผิดจำถูกถ้าเราจำไปผิดจำเรื่องที่มันผิดมันก็มันก็เสียเช่น ไ, ไปจำว่าโลกนี้แบบ น, นี้ ประจําว่าลกนี้แบบมันก็ผิดนะมันมันเสียหายเพราะมันไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริ ง, รงเช่นเดียวกับประจําว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี่ก็ผิดก็เสียหายแล้วเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงความจริงก็คือมันไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้อย่างที่เร า, าปฏิบัติธรรมกันนี้มันใช้ปัญญานี้ก็เพื่อมาแก้ความจําที่ที่ผิดให้เป็นขับจําที่ถูกไป คุณวรนธนาครับคนที่ได้รับอุบัติเหตุอุบัติเหตุการกระทันหันแล้วเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนพิการในทันทีแบบนี้เกิดจากการทํากรรมจากชาติปางก่อนหรือว่าเกิดจากกรรมปัจจุบันครับมันก็เห็นชัดอยู่มันทำอย่างปัจจุบันไม่ใช่นะไปขี่มอเวอรไซค์เมาแล้วขีมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อมีคนยังเช่นรู้จักเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็คืกค้องดื่มโซดาเมาแล้วก็ไปกี่จักรยานยนต์ ลดกระความหัวเพราะจีระก็ราฟาดพื้นเดินขึ้นมาก็เป็นเป็นนํำมาเพิกไปเดนเองไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์ไปตลอดชีวิตก็เกิดจากการไปเดินสุราเกิดจากการประมาทเกิดจากการไม่กี่จักรยานายนต์เนี่ยส่วนกรรมในอดีตจะมีเป็นนิสัยติดมานิสัยเชอาเป็นคนที่คึกค้องเป็นคนที่ไม่รอบคอบไม่นำมาระวัง ปราณเ่ยอันนี้อาจจะเป็นกรรมเก่าเป็นนิสัยที่ติดตัวมาแล้วกรรมปัจจุบันเป็นตัวที่ทําให้เกิด อ, อุบัทเหตุขึ้นมามันก็มีทั้งสองส่วนกรรมในอดีตแะกรรมในปัจจุบันคุณเป๊ะครับถ้าเราเคยทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันรักษาศีลไม่ให้บกพร่องจะแก้ไขอดีตได้ไหมครับไม่ได้หรอกบาป ท, ที่เราทําไว้นะั้นมันก็จะต้องส่งผลไม่ใช่ก็เล้วนะฮะ มานในปัจจุบันถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีผลตามมาคุณพิมพ์ระดาครับบอกว่าก่อนนอนนั่งสวดมนต์เสร็จก่อนนอนเปิดบทสวดแล้วสวดตามจนหลับได้ไหมคะแล้วกลับมาจากทำงานตอนเย็นเราเปิดบทสวดไว้ในบ้านฟังบ้างไม่ฟังบ้างสวดตามบ้างเราคิดว่าเทวดาที่บ้านจะได้ฟังเข้าใจผิดหรือถูกครับผิดขนาดาเทวดาก็ไม่มาสนใจมานั่งฟัง ก็มีความสุขมากกว่กานกลายมานั่งฟังเราสวดหรือฟังบทสวดมนตน์ที่บวดาก็เป็นนักท่องเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกินรสทิพ์ตา่างๆอันนี้ก็ไม่มาก่อยมาหาความสุขจากการสวดมนต์ของเราหรือเกิดบทเสียงส่ดสวนให้เขาฟังอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเชื่อแบบโภม ง, งายคุณเขมจิราครับ เคยอ่านหนังสือพบคําสอนว่าสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่แม้แต่จุลินทรีย์ก็สามารถแผ่เมตตาให้ได้เราจะได้พ้นโรคร้ายทําได้จริงหรอเจ้าคะ่ะไม่ได้จริงอ่ะการสวดไม่ได้เป็นการแผ่การจะแผ่ต้องทําด้วยการกระทําถ้าเราเจอสุนัขแทนที่จะไปทุบตีเขาเราก็เลี้ยงเขาอาอาหารมาให้เขากินอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยการสวด ส่วนหวน้าเวาเจอใครก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุกตีเขาที่หนึ่งไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตานะแต่แผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําการส่วนนี้เป็นการฝึกสมาธิมากกว่าฝึกสติมากกว่านี่เป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตวิธีแผ่เมตตาว่าจะต้องทําอย่างไรมากเช่นไม่ไม่เบียดเบียนกันให้ไม่จองเวรกันไม่ทําร้ายร่างกายและใจกันให้ความสุขต่อกันอันนี้คือ วิธีการให้ความเมตตาด้วยการกระทําไม่ใชใ่ด้วยการสวดการสวดที่ไม่ได้เป็นการแผแ่ใดอย่างใดผลไม่เกิดแม้แต่นิดเดียวช่วงนี้มีคนไปกราบพระพุทธรูปอริยกัลย์ท่านเยอะเลยครับพระอาจารย์ที่เขาตั้งที่สนามหลวงครับก็เลยมีคําถามว่าเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมครับถ้าเราเชื่อว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ได้เฝ้าร่างกายของพระพุทธเจ้ารลย แต่พระเจ้าก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวพระเจ้าสังขายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของท่านตัวของท่านก็คือประธรรมคำสอนถ้าอยากจะกราบพระเจ้าจริงๆให้กราบด้วยการเข้าให้ถึงให้เข้าถึงถึงธรรมให้ได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตด <c oughs> ังั้นไปปฏิบัติธรรมจะได้เฝ้าพระเจ้าใกล้ชิดกว่าได้ประโยชน์มากกว่า ว่าการเห็นพระพุทธเจ้าแบบนั้นมันดับความทุกข์ในใจเราได้ด้วยแต่การไปเห็นพระพุทธเจ้าในสรีะระเช่นใบกาพะบางธรรมทานมันไม่มาดับกิเลสดับความทุกข์ในใจเราได้คุณสราวุธครับเวลาที่ใจซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ควรทำอย่างไงครับอาจารย์ควรหยุดความคิดเหล่านี้เสียด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราเศร้าเบื่อหน่าย เราเรลบความรู้สึกเราความคิดหลัานี้เอาไปได้ต่อบความรู้สึกมันก็จะตะมันก็จะหายไปใจก็จะว่างเย็ยนเบาสบายพุโทโธนี้เป็นเหมือนอยางลบเวลาที่เราเขียนอะไรนะบนกระดาษ น, นี่ยเวลาเขียนเสร็จเราจะเขียนของใหม่แล้วก็ต้องลบก่อนใช่ไหมเพราะมียางลบใจเราก็เป็นเหมือนกระดาษ น, นี่ยเราเอาเรื่องราวที่เศร้ามามาเขียนในใจเราเราอ่านแล้วก็เศร้าตามมไปใช่ไหม แล้วก็อย่าไปเขียนเรื่องราวที่มันเศร้าสินมมันออกไปถ้าคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราเบิกบานไม่ได้ก็อย่างน้อยก็หยุดหยุ ด, ห ย, ดหยุดคิดซะก่อนพอหยุดคิดใจก็ว่าอารมณ์เศร้าก็จะหายไปคุณแม็ครับ ขอเทคนิคการ น, นั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นใจไม่ค่อยนิ่งครับคิดฟุ้งซ่านมากคอยดึงสติกับลมหายใจแต่ก็เผลอไปคิดตลอดขอคำแนะนาครับรต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งต้องพยายามฝึกสติให้มากๆทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดระยะเวลาที่เราตื่นจนหลับที่เราสามารถจะนั่งสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เรีตายขึ้นมาเราต้องนั่งพุโทโธพุโทโธไปเลยทกิจส่วนตัวพุโทโธพุโทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวาาแล้วประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าทำนี้ได้เวลามานั่งมันก็จะไม่พุ้งคุณนงรักษ์ครับบอกว่าฟังธรรมะทาง Facebook ทุกวันปฏิบัติตามคำสอนทุกวันเริ่มลดความอยากได้หลายอย่างจากการบริจาคเสื้อผ้าของใช้วันนี้อยากซื้อกางเกงใหม่แต่ละลึกคาสอนจึงนาเงินเท่ากับกางเกงที่อยากได้บริจาคให้สำนักจิตตาวัน ที่ดูแลส่งอาพาธถือเป็นบุญที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ครับก็ยินดีด้วยนี่ได้นำมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์การทําบุญทําทานนี่มันมีความสุขมากกว่าการไปซื้อของที่ไม่จําเป็นให้กับเราเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราซื้อบา ก, ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเนี้ยก็หายไปะเงินะงที่เราไปทําบุญนี่ไปกับทําฟังอยู่ในใจเราทุกครั้งที่เราคิดถึงมันเราได้จะมีความสุขใจเห็นใจอยู่ คุณบุภาครับถ้านอนไม่ค่อยฝันเลยนานมากจะฝันสักครั้งแบบนี้ดีไหมครับก็ดีแสดงว่าจิตเราไม่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านจิตเราสมบรูรณ น, น, นะคุณแพทครับทัพย์ภายในมีวันหมดไหมครับแล้วจะตามเราไปในทุกชาติหรือไม่ครับมันจะหมดตามว่าเราไปไปใช้มันไงตอนที่ตอนที่เรายังไม่ตายนี่นเรายังไม่ได้ใช้บุญ ที่เราได้ทำไว้ทรัพย์ภายในแต่เวลาที่เราตายไปนะั้นเราจะเริ่มใช้ทรัพยนะ์ภายในแะเช่นเราไปเกิดปเปอยู่บนสวรรค์เราก็เริ่มใช้ไปแล้วจึกล่าทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เราทําไว้หมดหรือมีกําลังมีกําลังเท่ากับบาปที่เราทําไว้มันก็จะหมายว่าทรัพย์หมดที่หมดกําลังที่จะให้เราอยู่ในในสวรรค์ต่อไปได้แนละ้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างทรัพย์ภายในกันใหม่ ยกเว้นว่าถ้าเราไปถึงทรัพย์ระดับอริยทรัพย์แล้วนี้มันจะไม่หมดนะตั้งแต่ทัพย์ของพระสาวดาวันไปนี่มันจะไม่หมดนะจนถึงขั้นพระอาหารหันต์นั่นก็จะได้ทัพย์ภายในเต็มร้อยแล้วก็จะไม่ต้องไปตามทัพเด็กต่อไปคุณไลโค์ปีนครับการบรรลุเร็วบรรลุช้าถ้ามีบารมีมากจะทําให้บรรลุเร็วใช่ไหมครับอาจารย์ คือการบรรลุนี้มันมีสองเบรรลุเร็วนี้ก็คือมีความมีมีปัญญามากหรือปัญญาน้อยถ้ามีปัญญามากฟังคงเดียวเข้าใจเช่ น, นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์แสดงเพียงครั้งเดียวก็มีบรรลุเป็นพระโสดาบัตขึ้นมาชนะพวกนี้มีปัญญาห้าคนฟังแต่คนเดียวบรรลุว่าปัญจวัคคีย์ตอนนี้พระเจ้าแสดงธรรมแรก มีภญญาพบรรจารวกี่อยู่ห้ารูปฝังธรรมด้วยกันพอหลังจากแสดงธรรมเสร็จมีเพียงรูปเดียวที่บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนเพราะว่าสติปัญญาเขาไหวเขาสามารถทิจร้าตามที่พระเจ้า ส, สอนบอกได้เข้าใจอย่างรวดเร็วพวกอีกสี่คนนี้ต้องเอกมานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาบรรลุการแสดงปัญญายังไม่ไไมไม่ม่เร็วเท่ากับของพระอัญญาโกฏิเญี่ มันรู้เร็วหรือช้านอยู่ที่ปัญญาควา ม, วามฉลาดมันรู้ง่ายหรื อ, อยากอยู่ที่กิเลสหนานหรือบางมันมีสองอย่างถ้ากิเลสห น, นานี่ยากนั่งสมาธิแต่ละครั้งรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยไปหมดจะให้สง บ, บ ม, มันไม่ยอมสง บ, บสักทีแสดงกิเลสคื น, น, นวานมันเยอะไงควา ม, มาฉันทะเยอะความโกรธเยอะอะไรพวกนี้มันก็ทําให้การนั่งสมาธินี้เน่เป็นอุปสรรค แต่คนที่มีกิเลสน้อยเนี่ยกามาชันทะน้อยความโกรดน้อยนั่งสมาธิก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมาคอยขัดขวาง ม, มันก็นั่งให้มันก็จะสงบง่ายปฏิบัติง่ายยากก็อยู่ที่ว่ากิเลสหนาหรือบางมนรลุเร็วลุช้ายก็อยู่ที่ปัญญาฉลาดมากหรือฉลาดน้อยคุณดี c h ช n n e l ครับเรียนกราบถามลูกชายสิบเอ็ดขวบ ถามว่าระหว่างการฝึกอัปปนาคาตาสติกับเพ่งกะสินอย่างไหนจะทาให้เราได้ความสงบมากกว่ากันครับได้ทั้งสองอย่างมันอย่างนั้นก็ได้มันก็แทนกันได้มันกับอาหารนี่ยจะกินข้าวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยก็ได้มันก็อิ่มเหมือนกันผู้ดีครับ มีเพียงมนุษย์อย่างเดียวที่สามารถสร้างบา ร, รมีบำเพ็ญทานศีนภาวนาเพื่อการหลุดพ้นได้ใช่หรือไม่ทำไมสรรพสัทในรูปอื่นทำไม่ได้พรหมเทวดาทำได้หรือไม่ครับเคยได้ฟังธรรมคมอายุที่ต้องไปเกิดก็ส่วนใหญ่ก็สถานภาพมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติพวกที่ไปอยู่ในบายก็อยู่ถูกความทุกข์ ถูกความทุกข์สร้างความทุกข์ให้ตลอดเวลา mm hmm. ก็ไม่มีกระชิกระจายที่จะไปศึกษาจะไปปฏิบัติธรรมนอกจากไม่มีใครสอนด้วยในอบาล mm hmm. การจะปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีคนสอน mm hmm. ก, ก็จะมีแต่โลกของมนุษย์เท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต mm ์ hmm. แต่พวกเทวดานี้มีบางพวกนี้ยังสามารถที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้ า, า, าได้เป็น mm hmm. พวกที่ฝ่ายธรรมอยู่แล้วเป็นอุปนิสัยเดิมชอบ ชอบชอบฟังเทศฟังธรรมแล้วพอมีข่าวว่ามีพระอาหารหันต์ลูกนั้นลูกนี้สามารถแสดงธรรมให้กับเทวดาฟังได้เขาก็จะไปฟังกันหรือถ้ามันบางบางทีก็เป็นพระอาหารหันต์หรืพระเจ้ามามาหาก็ได้อย่างพระเจ้าก็พยายามค้นหาจิตของดวงวิ ญ, ญญาณของพระพุทธมารดาว่าอยู่ที่ไหนอันนี้เสุดก็คน้นพบว่าอยู่บนสวรรค์ว่าสามารถติดต่อกันได้ ของติดต่อได้ท่านก็สามารถแสดงธรรมสอนพุทธบันฑาให้ปฏิบัติธรรมจนมนุษย์เป็นพระโสดาบันได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษส่วนใหญ่พวกเทวดาก็จะเป็นพวกแบบพวกที่ไปท่องเที่ยวพวกที่ไปท่องเที่ยวกไ็ไม่สนใจกันเรื่องที่จะไปฝึกสตินั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะ ก, กันเอบไปเสพการมากว่าแบบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดตา่างๆคุณสังครับ <c oughs> เป็นไปได้ไหมว่าในเวลานี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในจักรวาลอื่นครับไม่อยากจะตอบเพราะเราก็ไม่รู้ <c oughs> คุณผููดีสามคำถามข้อที่สองครับความทุกข์ของพรหมเทวดาคืออะไรครับเวลามันเสือเ่อ ม, มไงเวลาหมดเวลาฌานหมดเลยจิตที่สงบมีความสุขจากฌานพอจากฌานมามันจิตมั้ความทุกข์บางอย่างก็เริ่มเข้าม า, ค, ามคิดที่ เกิดจากความอยากกิเลสตัณหามันก็เริ่มทํางานเวลาออกจากสมาธิมาของเทรดาก็ความสุขที่ได้จากการเสดจรูปเสียงเแล้วก็หมดเหมือนคนที่นอนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาฝันดีแล้วตื่นขึ้นมาความสุขที่ได้จากการที่เราฝันมันก็หมดไปมันต้องกลับมาเจอสภาพของของของเราในปัจจุบันเจอกับปัญหาเจอกับความทุกข์ต่างๆมันเสริมได้ความสุขของ เทวดาของผมมันเสริมได้หมดได้คุณทิยาพรครับนั่งสมาธิเหมือนร่างกายแบ่งมีสองส่วนมีโครงกระดูกครึ่งอีกครึ่งกายเนื้อจะไปต่ออย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจลนะให้อยู่เัรพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้านมโนมกลให้โนพุโทโธไปอาการต่างๆเหล่านี้ไม่มีไม่มีสาระ ป, ประโยชน์อะไรการนั่งสมาธินะี่เราต้องการทําจิตให้นิ่งสงบให้เป็น ให้เป็นอุเบกขาอันนั้นถ้าเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วต้องการอุเบกขาจิตที่ปราศจากความรักชังโกรงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติเพื่อกําจัดดับความทุกข์ต่างๆคุณใบหยกครับวิญญาณไม่ใช่อวัยวะส่วนใดส่วนของร่างกาย <c oughs> และไม่ใช่ของผู้ใด สามารถไปเกาะติดจิตต่างๆจนเกิดเป็นร่างกายต่างๆร่างกายจะดีสมประกอบหรือไม่วิญญาณดีร้ายไปเกาะติดจิตคือสาเหตุลูกเข้าใจถูกต้องไหมครับวิญญาณเป็ส่วนส่วนส่วนหนึ่งของจิตของธาตุรู้ที่สามารถที่จะไปเชื่อมธาตุรู้ให้เชื่อมต่อกับร่างกายได้ติดต่อกับร่างกายได้เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจาก มาจากตาหูจมูกนิสัยได้นี่คือวิญญาณไม่ใช่ดวงวิญญาณเราพูดสองอย่างคนเรเลือกกันนี่ไม่ทราบพูดหมายถึงดวงวิญญาณหรือเปล่าดวงวิญญาณก็จริงอยู่ดวงวิญญาณที่มาได้ร่างกายก็ต้องก็เป็นเป็นเป็นเป็นดวงจิตนี่แหละที่ใช้ใช้วิญญาณในในขันในนามขันนี่เข้ามาเกาะติดอยู่กับร่างกายส่วนที่ร่างกายจะดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่วิญญาณดีแล้วไม่ดี พลัอยู่ที่กรรมพันธุ์ของพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่มีมีโลกประจําตัวติดอยู่สามารถถ่ายทอดให้ลูกได้อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตการหยอดเงินทําบุญตู้บริจาคในวัดเวลาที่เราไปทําบุญตามวัดต่างๆจะมีหลายชนิดเช่นชําระหนี้สงช่วยค่านาม้มค่าไฟทุนส่งอาพาธบุญณซ่อมแซมวัดและอื่นๆเป็นต้น แต่ลักษณะทให้อันในสงต่างกันไหมครับคือประโยชน์ที่จะไปใช้ม่วก็ต่างกันใชถ้าเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จะมีใช้มีน้ำใช้มีไฟใช้แต่บุญที่ผู้บริจาคให้ไม่ว่าจะบริจาคชนิดไหนก็ได้บุญเหมือนกันเท่ากันแบบความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันคุณอภิชาติครับการปรารถนาในบุญมากจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นกิเลสไหมครับผลของกรรม อยากนี้ครับก็การทําบุญนี้ก็เพื่อให้เรามีความสุขถ้าทาบุญแล้วเราใจเราทุกข์มันก็แสดงว่าเราไม่ได้ทําบุญนะเราสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเราก็นั่งอยู่ดูว่าเราทําทําบุญเพื่อความสุขหรือทําบุญเพื่อความทุกข์ถ้าทํำด้วยความอยากเกินกําลังของเราแล้วเราก็มาทุกข์กับมันอย่างนี้ก็แสดงว่าทําบุญไม่ไม่ถูกหนละักของการทําบุญ ทำหมลเราต้องทําแล้วเราไม่เดือดร้อนเรามีสิ่งที่เราสามารถเสียสละแบ่งปันได้เราเสียสละไปหรือถ้าจะเสือถ้าจะเดือดร้อนบ้างนิดนิดทำไมก็ก็ายอมเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับความสุขอันนี้ก็ยังถือว่าก็โอเคก็ถือว่าเรามีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มายอมยอมยอมอดบ้างเช่นเรามีเรามีกําลังจะกินข้าวอยู่มีข้าวอยู่จานอย่างแล้วเห็นคนโซเซขอทานมา สงสารเขาเขาก็เลยเบริจะเข้าจานนี้ไปเรายอมอวดข้าวสักมื้อหนึ่งเพราะเรากินวันละสา ม, มื้ออยู่แล้วเขาไม่ได้กินเลยอยย่างเี้ถ้าแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนจนเกินไปเป็นการยอมยอมยอมแ บ, บ่งความสุขที่เราได้ให้กับคนอื่นบ้างคุณเขมจีลาครับปู่ย่าห้ามนอนหรรันศีรษะไปทิศใต้บอกว่ามันไม่ดีเป็นเพราะทิหรศหันศีรษะคนตาย มีเหตุใดพระพุทธศาสนาหมาค่าว่าทิศใต้เป็นทิศที่ไม่หันศีรษะคนนอนครับไม่มีหลักศาสนาพุทธไม่ได้สอนเรื่องทิศต่างๆสอนเรื่องกรรมอย่างเดียวดีเชื่ออยู่ที่การกระทําของเราวันที่ตอนบ่ายพระอาจารย์เทศใช่ไหมครับวันนี้ฟังอยู่เลนะไม่ับแต่ฟังไม่จบครับอาจารย์พอดี<ม>แต่ได้เปิดฟังเมื่อวานก็ได้ฟังครับ คุณสิริลักษ์ครับถ้าเราฝึกสมาธิจิตบรรลุถึงขั้นนิพพานแล้วจิตจะไปอยู่ที่ไหนครับจิตก็อยู่ที่เดิมยันไม่มีสถานที่มันไม่มีรูปร่างหน้ า, นาตาไม่มีขนาดมันก็เลยไม่ต้องมีสถานที่มันก็อยู่ที่เดิมตอนนี้จิตของเราทุกคนก็อยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยงแต่เปลี่ย น, ยนสถานท่าทางภายในใจสุขมากขึ้นทุกมากขึ้นอย่างนี้ทะลั่นทะเบยนไป พอไม่มีทุกข์เลยๆ อ, อยู่ในใจมีแต่สุขอย่างเดียวมันก็เป็นนิพพานไปทันทีมันก็อยู่ที่เดิมคุณทีคัฒน า, านาบอกว่าขอโอกาสน้อมนําบุญจากการไ ป, ปรงบวชปงผมสิบสองวันที่ผ่านมาถวายครูบาอาจารย์เมตตาให้พรโยไมได้ทําสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้แล้วทําให้รู้ว่าการบวชนั้นเป็นบุญที่ได้ขึ้นทางด่วนจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้เคยบอกไว้ครับน้อมกลับในขอความ ในความเมตตาพระอาจารย์จะขอน้อมนำคำ ส, สอนมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ขึ้นทางหนวนบ่อยๆนะอย่าลงก็อยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางในพรบนี้ชาตินี้ก็ต้องอย่าลงอยากทางหนุนขึ้นไปเลยครับต้องแม่ช่องผ่าลงครับพระอาจารย <c oughs> ์ไ ด, ไได้ขึ้นไปกันสิบสองวันกลับลงมานะครับ <c oughs> การทําบุญกับพระปอมหรือบุคคลที่มาหลอกให้เราทําบุญแบบนี้ได้บุญไหมครับใช่ให้ขอทานก็ได้บุญให้สุนัข ก, ก็ได้บุญการให้มีการได้บุญทั้งนั้นนเพียงแต่ว่าถ้าเรารั่วเข้ามาหลอกเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมเขาทันั้นเองเพราะมันมันก็จะทําให้เท้ากายเ ป, เป็นเป็นเปรตไปพวกที่มาหลอกเรามาทําบุญ ทำบาปด้วยคําโลภเนี่ยก็จะเขาก็จะไปเป็นเปรตแล้วก็ยังไปสงสารแม่เขาไปเป็นเปรตถ้าเรารู้เขาเราหลอกดูกันแล้วก็อยากไปให้เขายูว้ว่าถ้าเขาอมีอาการที่เดือดร้อนจริ ง, รงๆในเรื่องของของทรัพย์เรื่องของปัจจัยสี่เช่นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียเงนินแนละ้วสารโลภเนี้ยถึงเมื้เขาจะมาหลอกเราเราก็สงสารเขาก็ให้เขาไปี้นเป็นการ มีการส่งเคราะห์กันอันนี้แต่ถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงเขาเอาข อ, ง เ, อาเงินไปนี่แล้วเอาให้เขาไปแล้วก็าล่องเงินไปดื่มชุราไปเล่นรการกระ น, นั้นหรืออะไรอันนี้ก็จะทําทให้เขาเป็นเปรตไปก็ไม่ควรที่จะไปส่งเสริมครับคุณไตพบครับถ้าผมสมาทานศีลห้าครบทั้งห้าข้อแล้วแต่บังเอิญไปกระทําผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดเข้า ต้องเริ่มสมาฐานท้งห้าข้อใหม่หรือเปล่าครับสมาฐาน ห, หนึ่งก็พอทั้งชีวิตเลยบอกตอนไม่ได้จะรักษาสีหน้าไปตลอดแค่นี้ก็จบแล้วเราจะจะทำสินขาดสินขาดข้อไหนก็ไม่ต้องเป็นสมานสมาานใหม่ก็ตั้งใจรักษาให้มันครบไปเรื่อยๆคุณไลฟ์แฟนไมยครับ <c oughs> ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการปฏิบัติด้วยครับ เมื่อเราปิดเปลือกตาแล้วลูกตาต้องปิดเหมือนตอนนอนหรือเปิดลูกตาเพ่งมองในผนังเปลือกตาครับอันนี้เราไม่รู้แหละเราก็หลับตาไปเท่นั้นเราก็ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแล้วเราก็หลับตาก็พอไม่ต้องไม่ต้องไ ป, ไงไปสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้มีมีมีเปิดตาข้างในเมื่อไม่เปิดตาข้างในผมกาทำได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอาจารย์ครับ ก็ลหลับตาไปก็ท่านก็จบไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นยังไงแค่เรานั่งสมาธิเราก็หลับตาแล้วเราก็เพ่งด้วยด้วยใจที่ที่ที่ปลายจมูกว่าสัมผัสกับลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องใช้ตาเป็นเครื่องเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องดูเราใช้ความรู้สึกเป็นการรับรู้ไป เวลาดูความโกรธหากเป็นโทสะตัวโตมากๆรู้สึกเหมือนต้องใช้กำลังยันกันอยู่อย่างนั้นโทสะไม่แสดงอาการรุนแรงขึ้นแต่ก็ไม่หายไปในทันทีแบบนี้คือกำลังยังไม่พอต้องฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็การที่ยุดการที่หยุดโทสะนันก็มีสองวิธีหยุดด้วยสติก็คือเมื่อมันยังมีโทสะอยู่เราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาจนกระทั่งเราลืมไปลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธโทสะมันก็จะหายไปอันนี้เป็นอุบายของของสติเนี่ถ้าอยากจะแก้แกแบบอุบายของปัญญาคือทําให้เราไม่โกรธอีกต่อไปเลยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความอยากของของโทสะเราเห็นว่าโทสะก็คือความอยาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราพอเราไม่ได้เราก็โกรธเราก็มาแก้ที่ความอยากต่อไปนี้เราอย่าไปอยากได้อะไรก็ได้ให้สันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดถ้าเรามีสันโดษเราก็จะไม่โกรธใครอันนี้แก้ด้วยปัญญาพอรู้ว่าต้นเหตุของความโกรธเกิดจากความอยากของเราพอเราไม่ได้ตามความอยากเราก็โกรธขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความอยากเา็เาเราจะไปโกรธได้อย่างไรใช่ไหมคำถามจากคุณวันธนาครับการทำบุญแบบไหนที่ได้บุญสูงสุดครับบุญที่มีอยู่สามระดับทานศีลภาวนาแต่ก็จาเป็นต้องทำตามขั้นตามกำลังของเราวันนีเราเรียนหนังสือเนี่ยความรู้มันก็น่บต้นจากอนุบาลมาถึงขั้นปริญญา ความรู้มากที่สุดก็ระดับปรัญญาแต่เราจะไปเรนระดับปรัญญาโดยที่เราไม่เริ่มต้นที่อนุบาลก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่มีพื้นเพไม่มีกําลังที่จะไปอยู่ในระดับปรัญญาได้เช่นเดียวกับการทําทานกับทําทางรักษาศีลภาวนาเนี้ภาวานาเ น, น, นี่ได้บุมากที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะไปสู่ระดับภาวานาได้ทำมันก็ทําไม่ได้เช่นนั่งสมาธิก็ไม่เคยสงบสักที ฝึกสติก็ได้แค่พุทโธได้แค่สองสามวินาทีก็หายไปแล้วอย่างนี้ก็สแสดงว่าเราไม่มีไม่มีภูมิที่เราจะไปสามารถสร้างบุญในระดับภาวนาได้แต่เราสามารถสร้างบุญในระดับฐานได้เพราะเรามีเงินมีมีข้า ม, ม, ม, ม, มีของที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้เราจะเอาไปแจกไปจ่ายให้ใครมันก็ทําได้ง่ายกว่าเราก็ทําในระดับที่เราทําได้ไปก่อน ไม่ใช่ว่าอย่างไรมากเราก็เดียวไปทําอย่างนั้นได้ทันทีมันไม่ได้หรอต้องอยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราทําได้ไหมก็มีสามระดับนะทานตามทานได้หรือเปล่าอยากจากา่ายเงินข้าวเงินทองข้าวของอยู่ที่เรามีที่เราไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีให้คนอื่นก็ได้ไหมรักษาสินห้าสินแปดได้หรือเปล่าเี่ระดับที่สองการที่สามเข้าไปฉกสติไปเป็นวิวแวงอยู่คนเดียวเดินโงกคมนั่งสมาธิได้หรือเปล่า มันก็บนมันมาก้มยต่างกันแต่การปฏิบัติันก็ยาก ง, ง่ายต่างกันไปคุณวิรัตครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกไม่มีตัวไม่มีร่างกายว่างไปหมดไม่คิดอะไรรู้อย่างเดียวไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันรู้อย่างเดียวไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดเลยถ้ามันหยุดคิดแล้วก็อย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันใหม่ คุณไลฟ์แฟนหมายครับเมื่อเฝ้าดูลมหายใจแต่จับลมไม่ได้เลยครับไม่ทราบเป็นเพราะรูจมูกกว้างขนจมูกมีน้อยมากลมเข้าลมออกเลยสัมผัสไม่ได้หรือวิธีสังเกตลมหายใจไม่ถูกต้องขอความเมตตาชี้แนวทางครับคือจิตเรายังไม่สงบพอที่จะดูลมได้สติยังมีไม่มากพอก็ต้องฝึกด้วยวิธีอื่นด้วยการบริการพุโทโธพุโทโธไปก่อน คุณพีกครับจุดเริ่มต้นของอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทมีไหมครับ ม, มันไม่รู้นะมันอวิชชาก็เกิดจากการไม่มีวิชาที่จะตอบยังไงไม่เรียนอยังไม่ศึกษามันก็มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่มีความรู้อย่างคุณหมอถ้าไม่เปเรียนคุณหมอก็มาเป็นหมอไม่ได้พอไปเรียนคุณหมอก็จะได้วิชาเข้ามา การไม่มีการาวิชาก็คือการไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนรู้คิดไปตามความรู้สึกในคิดของตนแล้วก็แล้วก็เชื่อตามความรู้สึกของตนอันนี้ก็เรียกว่าวิชาพระอาจารย์ครับทํายังไงให้เราหมดหนี้ครับควรใช้ธรรมะอะไรมายึดเหนี่ยวนําทางครับก็ต้องประหยัดค่ า, ชาใช้จ่ า, ายลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็เงินที่เราไม่ได้ไปใช้ใจ่าย ที่ฟุมฟือยนี้เอามาใช้นี่ไปทยอยใช้ไปเดียวมันก็หมดเองคุณวันทนีครับเมื่อได้ทำบุญให้ทานตามโอกาสยกตัว อ, อย่างเช่นการบริจาคทรัพย์การทำโรงทานในงานบุญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้โอกาสพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นธรรมทานถ่ชีวิตสัตว์และล อ, อื่นๆเมื่อได้ทาบุญให้ทานก็แล้วรู้สึกเฉยเยไม่รู้สึกปรับเพิ่มยินดี การทำบุญให้ทานทุกครั้งทำด้วยความตั้งใจและเต็มใจแล้วนะครับอจะทำน้อยไปมันเราทำเยอะหนึ่งเลยถ้าทำพันหนึ่งมันไม่รู้สึกเราทำสักหมื่นดูถ้าหมื่นยังไม่รู้สึกเราเอาสักแสนดูอัปกันได้มันจะต้องรู้สึกไม่ช้ากันเลยเหมือนกินข้าวกินข้าวแค่คำสองคามันก็อาจจะไม่รู้สึกอิ่มนะก็กินไปสักจารนหนึ่งดูถ้าจานย์ังไม่อิ่มเอาสักสองจารย์อยู่เดี๋ยวมันต้องอิ่มเอง ทำน้อยไปมันเลไม่เคยมีความรู้สึกทําให้มากดูสิแล้วประกันได้ว่าจะมีความเพิ่มปรตมีความสุขใจขึ้นอย่างคุณหมอทําเยอะๆกับทํานน้อยๆความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันครับอทํานนะทเยอะแล้วเพิ่มมากครับคุณเบรรวันครับเราจะมีวิธีจัดการคนที่ทําคุณใสกับจิตเราอย่างไรดีครับ ไม่ต้องจัดการอะไรละมัไม่มีหละเรามันเป็นเ่งความงงงายเชื่อกันไปเองเเัอไม่ต้องไปทําอะไรเขาท่านั้นเนี่เรามีสติตัต้งมันแล้วใครใครก็มาทําอะไรเราไม่ได้เพิกสติไปใจเรามันยังอ่อนไหวอยู่มีอะไรมาก็เชื่อไปหมดเชื่องงงายตามที่เขาว่าไปคุณกระแตครับการที่เราจเจริญสติในการทํางานตลอดโดยบริกรรมพุทโธ ต้องทำควบคู่กับการนั่งสมาธิด้วยกันหรือไม่ครับเพราะโยมปฏิบัติจเจริญสติในแต่ละวันมากกว่าการนั่งสมาธิครับคือการเจริญสติมันก็ทําให้ใจให้สงบได้ครึ่งหนึ่งถ้าอยากจะให้ใจสงบเต็มร้อยก็ต้องนั่งเฉยๆดังนั้นเองมันก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลานั่งได้หรือเปล่าถ้าเราอยากจะให้มันสงบเต็มร้อยเราก็ต้องนั่งเฉยๆมันก็จะสงบเต็มร้อยแต่ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยอยู่จิตก็ยังยังทํางานอยู่ ก็จะทําให้จิตสงบได้เพียงครึ่งเดียวถ้าเราจรารินสติอย่างเดียวคุณเบนจวันครับนั่งสมาธิแล้วตัวหายเหลือแต่จิตที่รู้อย่างเดียวหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความจิตสงบเหมือนคุณกิติศักดิ์ครับขอความไม่ตาที่บายเรื่องสติแนบกับจิตด้วยครับ ก็ให้มีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาต้องยากหน้ากว่าจิตอยาปล่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรืนี้คุณอธิษฐานครับพิจารณาเพื่อการดับกามฉันทะโดยไม่พิจารณาอสุภาได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เรามีความอยากได้อยากอยากใช้มันคืออะไรไงแล้วต้องพิจารณาความไม่ไม่สวยไม่ ง, งามหรือความความไม่เที่ยงแท้ของ ของของของกลางอลไรนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นหรือพดแต่ว่าฉันอยากจะดูหนังนี้เนี่ยว่าไปการมันฉันได้อย่างหนึ่งก็รพิจารณาดูแล้วมันก็แห้งนั้นอ่ะมันก็สุกเดียวเดียวพอผ่านไปแล้วมันก็จบมันก็ถ้าไม่ได้ดูอีกก็รู้สึกอ้างว่าเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเราถ้าเราไปมีกางวันฉันทักับร่างกายของคนอื่นอย่างจะน้อยกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็ไม่ยอมให้เนอนด้วย เราก็จะเกิดความรู้สึกงุนเหญียนนำจานใจขึ้นมาถ้าอยากจะทํ า, าทให้เราไม่งุนเหงียนก็พิจารณาสุภะพิจารณาร่างกายของแฟนว่าเป็นเหมือนซากศพนอ่เพรเห็นว่าเป็นซากศพก็ไม่อยากจะนอนกับแฟนนะครับอาการงุนเหงียก็จะหายไปคุณอุอุครับพระอรหันต์เวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจจะเกิดอารมณ์ไม่ดีไหมครับแล้วสีหน้าท่าทางท่านจะแสดงอารมณ์โกรธใช่ไหมครับ ใจของท่านจะวางเฉยนั่นตลอดเวลาไม่รู้สึกกับอะไรทั้งสิน้นสัมผันธ์เหมือนกับหยดน้ำมูนใบบัวแต่ไม่มีปฏิจิริยากับสิ่งที่ไปสัมผัสรับรู้ด้วยจะสักแต่ ว, ว่ารู้เฉยๆไปแต่ท่านอาจจะแสดงอาการเพื่อเป็นการเล่นละครกับพวกเราก็ได้ดวงตาบางทีท่านแสดงอาการเกลียวกลัดสัส่สอนลูกศิษย์เรื่องการที่เกลียวกลัดเพื่อให้เขากลัวให้เขาหยาบเกรงครับพระพูดดีดเอามือปุ๊บ ในรูปหัวเขานี้เขาจะไม่กลัวแล้วเราต้องใช้มาตรการอแบบแสดงความโกรธกิ้วขึ้นมายันเป็นเพีงกิริยาแต่ภายในใจท่านไม่มีความโกรธคุณต้องครับทําอย่างไรจะให้บุญที่ทําในชาตินี้ให้ผลเร็วในชาตินี้ไม่ต้องรอบพบชาติต่อไปครับก็ภาวนานี่ยไงถ้าทําได้ เกิดขึ้นกันทีทำจิตให้สงบเข้าฌานได้ก็ผลก็เกิดขึ้นทันทีคุณพัสวร์บินวันครับปฏิบัติผ่านฐานเวทนาแล้วเริ่มสู่ฐานจิตทําให้ถูกวิธีได้ผลต้องทําอย่างไรครับยังไม่ทราบว่าผ่านเวทนาฐานเวทนาผ่านยังไงก็ไม่ตอบไม่ได้เข้าไม่เข้าใจคําว่าผ่านฐานเวทนานี่ผ่านยังไงเรามาเล่าให้ฟังวันนี้ คือไ ม, ไม่ไม่มีความทุกข์กับเวทนาแล้วหรือเปล่าเวทนาจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยได้หรือเปล่าทั้งสามันอันนี้เรียกว่าผ่านเวทนา <Okay. S 1> คือสามารถอยู่กับความเจ็บปวดขนาดไหนก็อยู่ของมันได้เฉยได้ไหมจะเจอความสุขขนาดไหนก็ไม่ไม่เกิดความรู้สึกทุกข์เวลาที่มันหายไปอันนี้แสดงว่าเราผ่านฐานเวทนาได้ <Okay. S 1> ก่อนจะผ่านฐานเวทนาก็ต้องผ่านฐาน่างกายก่อน เรากลัวความตายหรือเปล่าแล้วกลัวความแก่ครับเจ็บคไายได้ป่วยของร่างกายหรือเปล่าถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังไม่ผ่านเราก็ต้องไม่กลัวร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็เฉยๆได้ถึงจะผ่านฐานของร่างกายไปแล้วเวทนามันจะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็อยู่กับมันได้ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปขั้นที่สามก็คือไปไปจิตก็ไปดูอารมณ์ภายในจิตเนี่ย จิตเราก็มีอารมณ์แปรปรวนมีสุขบ้างมีมีสบายใจบ้างมีหนัก อ, อกหนักใจบ้างมีเครียดบ้างมีอะไรบ้างเราก็อยู่กับมันได้หรือไม่โดยที่ไม่ไม่ทุกไปกับมันได้หรือไม่อันนี้คือฐานขั้นที่สามคุณ DC ช n n e l ครับเป็นซึมเศร้าขั้นบุนแรงต้องใช้ธรรมะข้อใดเข้าช่วยครับ ให้สติเนี่ยนะครับทำใจให้สงบแล้วอาการซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปคุณแมวครับทรัพเช่นทองคําที่ผู้อื่นมอบให้เราเรานําไปทําบุญได้หรือไม่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หนูหา ม, มาได้ด้วยตัวเองครับคือมันจะงานแบบไหนก็ไม่สําคัญขอให้มันเป็นของเราก็แล้วกันถ้าอะไรที่เป็นของเราแล้วนี่เราสามารถเราไปให้ บริจากคให้เป็นบุญได้เอาไปทําทานได้ทุกะนั้นคุณอธิษฐานถามคล้ายๆเมื่อกี้ครับบอกว่าไม่ใช่สุภาได้ไหมแต่ใช้พิจารณาว่ากลัวการเกิดไม่อยากเกิดเห็นการประจันทะเป็นเชื้อเกิดเลยสามารถาระงับได้ทําเลือกไปเรื่อๆแบบนี้จะได้หมดไหมครับก็ดูเถิดทำได้ไหรือเปล่าถ้าทำได้ก็ดีแต่จะรู้ว่า การบาตัญหาเป็นความเป็นเหตุที่พายเรามาเกิดเนี่ยไม่มีตาหูจมูกเล่นกายกันถ้าเราไม่ต้องการกลับมาเกิดเราก็ต้องเลิกเสพกลางกันไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะต้องถือศีลแปไว้ได้ตลอดชีวิตคุณธรรมโอสถครับขอวิธีดูแลพ่อที่ไม่ให้เป็นบาปครับอาจารย์ก็ดูแลท่านเหมือนตอนที่ท่านดูแลเราไงดูแลด้วยความเมตตากรุณา เบเกาบุนตาเบเวกาดูงานด้วยพรหมวิหารสิคุณธัญญาครับหนูทำงานอย่างหนักขายของดีขายของทั้งวันปกติจะนั่งสมาธิฟังธรรมหลับสบายไม่มีฝันตอนนี้เหนื่อยหลับฝันว่าขายของถอนเงินต้องทำอย่างไรได้บ้างครับหลับหลับตื่นตนอยากได้วิธีเจริญสติที่ไม่ฟุ้งซ่านครับ ก็เนี่ยใช้คำเลกนรำพูดโทเป็นแต่ว่าต้องทำ บ, บ่อยๆทำเยอะๆเท่านั้นเองย่ไม่ฟุง้งซ้านคุณวันธนีครับปกติจะทำบุญให้ทานหลายๆรูปแบบตามโอกาสที่มีเช่นการบริจาคท ร, รัพย์การทำโรงทานในงานบุญพิมพ์หนังสือธรรมะ อ, อันี่ทำไปแล้วครับทำทราครับคุณ เวอรครับสติปัฏฐานสี่คือการมีสติให้ตลอดที่กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมครับมีสติตลอดที่เวทนาจิตกับธรรมหมายถึงยังไงครับกายยังพอเข้าใจพอเห็นภาพว่ารู้ตัวตลอดใช่ไหมครับหนูเข้าใจถูกไหมครับไม่ใช่หรอกคือการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่นี้มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือสติสมาธิและปัญญาขั้นตอนทั้นสอนให้เรา ฝึกสติก่อนให้นามีสติคอยเฝ้าดูให้จิตอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในระยาบทต่างๆเดินก็รู้ว่ากําลังเดินยืนก็รู้ว่ากำลังยืนไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเพื่อระงับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้ใจให้เพื่อให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพอเรามีสติแล้วขั้นต่อไปก็ห้มานั่งสมาธิโดยการนั่งดูลมหายใจเขาอนารปรนาสติ ดูรวมเข้ารวมออกเพื่อไม่ให้ใจคิดแล้วนั่งเฉยๆใจก็จะนื่งสงบรวมเป็นสมาธิรวมเป็นฌานขึ้นมาได้เป็นรูปฌปานขึ้นมาพอเราได้รูปฌานได้ได้ความสงบได้ความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็ขั้นต่อไปเราก็ไปปฏิบัติขั้นต่อไปคือปัญญาปัญญาขั้นแรกก็คือต้องไปศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกายเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกาย อันนี้เรายึดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเร า, เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อันนี้เป็นเทศที่ทําให้าจเราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นแค่ดินน้าหลุมไฟเป็นของไม่เที่ยงเกิดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อย่าไปถือว่ามันเป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงนิน้ำมันไฟถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาลรวก็ปล่อยมันได้ปล่อยมันได้ต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเจ็บจะไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะเฉยๆกับมันได้เราเราก็ต้องพปพิจารณาร่างกายของคนอื่นถ้าเรามีความรักความชอบในร่างกายของคนอื่น เป็นแฟนของเราสามีของเราภรรยาของเราถ้าเราไม่อยากจะไปติดกับเขาไม่อยากจะไปใช้เขามาเปเข้าให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมองดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของแฟนเราดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูอาการต่างๆอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในในร่างกายเช่นโครงกระดูกเออยอดบอดเออยับยหัวใจเออยม้มเออยำไส้เออย่ องปฏิกูลต่างๆที่มีในร่างกายถ้าเราพิจารณาเราเห็นชัดต่อไปความอยากจะร่วมเพศกับเขาก็จะไม่มีต่อไปเราก็สามารถอยู่ตามลําทําได้โดยที่ไม่ต้องการส า, ายนั่งการคนอื่นมาให้ความสุนับเราอันนี้คือขั้นขั้นแรกของการปฏิบัติท่านปัญญาเพื่อละปล่อยวางความยึดติดในร่างกายในรูปแบบต่างๆเมื่อผ่านนั่งการแล้วเราก็ไปพิจารณาเรื่องเวทนา มีทนาก็มีสามชนิดมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราห้ามมันเปลี่ยนไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก่อนไม่ได้สั่งให้สุขอยู่อย่างเดียวไม่ได้สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องอยากไปอยาบให้มันเป็นอย่างใดอย่าง ป่วยมันจะมาแบบไหนก็ก็ยินดีกับมันทุกรูปแบบสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้คือขั้นการพิจารณาขั้นขั้นเวทน า, นน เ, นาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปก็ต้องไปพิจารณาจิตจิตก็แปรปรวนอยู่เรื่อยมีอารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีมากอารมณ์เสียมากโกรธมากโลภมากเมื่อยหน่ายมากท้อแท้มาก ตื่นเต้นบ้างอะไรยนี้มันก็เรื่องของอารมณ์ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ปล่อยมันเป็นไปธามเนื่องมันเป็นแต่เราสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราสามารถปล่อยวางทั้งสามส่วนนัน้นแล้จิตเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ คามทุกขขอเรามก็เกิดจากการที่ไปทุกข์กับร่างกายไปทุกข์กับเวทนาไปทุกข์กับอารมณ์ต่างๆนี่ท น, นเองพอเรามีปรรัญญาพิจารณาว่ามันเป็นตายรักต้องปล่อยวางอย่างเดียวถึงจะไม่ทุกข์เราก็ปล่อยวางป่อวางได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่คือสูตรของปฏิประทานที่มาสำนึกให้ฟังโดยย่อๆมันมีขั้นตอนของการปฏิบัติสองชนิดก็คือ ส, สมถภ า, าวนากับวิปัสสนาภาวนา ออแล้วพอสมถะภาวนาก็ควรจริญสตินั่งสมาธิก็ได้สมถะภาวนาพอได้ได้สมถะภาวนาแล้วเราทำไปคั้นวิปัสนาภาวนาวเราไปพิจารณาตายรักในร่างกายในเวทนาในจิตนั่นเองเเห็นว่าเป็นตายรักอันนี้จำทุกขังหน้าตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางที่ทุกข์เพราะเราไปอยากไปควบคุมบังคับเขาให้ก็เป็นไปตามความอยากของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เราก็เลยทุบกันคุณพอเขา้าใจไหมเข้าใจเราก็าะละเอียดเลยครับผมก็มคือเอาไตลักเข้าไปจับทุกกระบวนการที่เกิดต้นสารส่วนนี่ไงกายเวทนาจิตเนี่ยครับผมคุณวงครับกลับขอคำแนะนําเรื่องความโกรธแค้นครับตื่นมาก็เครียดแค้นก่อนนอนก็โกรธเครียดแค้นยิ่งคนที่ทําให้เราโกรธแค้นยังวนเวียน ก็ทํำให้รู้สึกโกรธทุกครั้งไปใจรู้สึกว่าร้อนมากหนักแต่เลิกโกรธไม่ได้กลับกับความแนะนาาําพระอาจารย์ครับพราความอยากหนอยากจะไปควบคุมบังคับเขาอยากจะไปสั่งเขาให้เขาทำอะไรตามความต้องการของเราพอเขาไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็โกรธเขาทั้งเองถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราต้องมาหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากบังคับเขาอย่าไปอยากไปควบคุมเขาปล่อยให้เขาเป็นอิสระเขา อ, อยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทาไป ตอบไปแล้วก็จะไม่ปวดเขากลั บ, กบเรียนอาจารย์ครับผมลองลองใช้ติ๊กต็อกไลฟครับอาจารย์มีคนมาดูในติ๊กต็อกอีกอเกือบสามรอยคนนะครับอาจารย์สองร้อยเจ็สิบแปดคนครับอันอาานี้ามือถือติ๊ต็อกอื่นการสนได้ด้วยในติ๊กต็อกคือผมใช้มือถือตั้งใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็บีกเพื่อนๆมาดูจากติ๊กต็นี่เกือบสามร้อยคนนะครับตอนนี้หมายถึงเอามือถือเปิดโปรแกรมติ๊กต็อไว้ถ่าย ไทโต้ายต่อยทีเลยใช่ครับแต่เขาจะเห็นด้นหน้าผมครับคือครับผมใช่ทางเท็กต์ก็มีก็มีให้ไลฟ์ให้ไลฟ์สดได้เหมือนกันเลยใช่ครับอาจารย์ก็เป็นก็เป็นแพลตฟอร์มคิดว่าเท็กซ์ตก็จะมีแบบสั้นๆให้มีคลิปแค่หนึ่งนาทีอย่างนี้เขาก็เปิดให้ทําไลฟ์สดได้เหมือนกันเลยทำไลฟ์ได้ครับอาจารย์ครับอ๋อก็ดีมีช่องทางนลตอนนี้ก็ดูกันอยู่สามร้อยคนครับอาจารย์ครับ อเพียงแต่มาตั้งอยู่ที่ที่ที่กล้องข้างก้างของคุณหมอใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับตั้งตั้งกล้องไว้อยู่ที่หน้าจอของคุณหมอใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไม่เห็นพระอาจารย์นะครับจไม่เห็นแต่หน้าหน้าคุณบอคนเดียวครับก็ไม่เป็นไรได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงครับอาจารย์ครับคุณใบยกครับ ลูกใช้คำบริกรรมแทนความคิดได้ผลระดับหนึ่งวิ่งในตอนเย็นสามสิบห้านาทีลูกก็ใช้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้หยุดความคิดปรุงแต่งได้เจ้าค่ะแต่ก่อนได้ยินสิ่งที่น่า ย, ยินดีและไม่น่า ย, ยินดีก็เอามาเป็นอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ลูกเฉยๆเจ้าค่ะพยายามใช้คำบริกรรมเนี่ยง่ายที่สุดพุดโทโธพุโทโธไป ใน tiktok บอกว่าเสียงชัดเจนดีมากครับอาจารย์เ็น ด, ดีด้วยคุณฮูสตันครับบอกว่าไม่เคยพลาดรายการนี้เลยสักตอนมาหลายปีทำแท้ออนไลน์จะมีโอกาสอย่างนี้ไม่ง่ายครับกับขอบคุณพรอาจารย์ครับคุณนักสมีครับทำอย่างไรจึงจะหยุดความคิดได้เวลาทำสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกครับ ก็ก่อนจะมานั่งสมาธิต้องฝึกสติก่อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามต้องหยุดความคิดส่วนใหญ่ให้ได้ก่อนก่อนที่จะมานั่งแล้วพอวันนั่งเราก็ดูลมหายใจเขาออ้ากโดยที่ไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็สงบได้คุณไปพบครับเวลาที่สมาทานศีลห้าแล้วจะมีอารมณ์เครียดอารมณ์กังวลอยู่ตลอดกลัวแต่จะผิดศีลข้อนั้นข้อนี้จนรู้สึกอึดอดัดควรจะแก้อาการนี้อย่างไงครับ เราก็ต้องดูความสามารถของเราว่าเราจะสามารถรักษาศินข้อไหนได้บ้างรักษาสินข้อไหนม่นนยังไม่ได้ก็อยาเพิ่มไปักอยากไปสมาทานรักษาข้อ น, นั้นถ้าเราทนไจะสมาทานสินห้เาเอาสินเอาสินสองก่อนก็ได้สินหนึ่งก่อนก็ได้วันนี้จะไม่เดือดรุ่ลาวันพะใช่ ว, วันนี้จะไม่เดือดรุ่ลายาเมาหนึ่งวันนี้ถ้าเราทําได้แล้วก็ อ, อย่างนั้นไปก่อนถ้าเราจะไม่โกหกได้แล้วก็สมาทานสินข้อ น, นั้นไป เลือกบังข้อไปก่อนถ้าเรายังทำทุกข้อไม่ได้อย่าไปเหมือนกับไปพยายามแบ่ของที่หนักเกินกําลังที่เราจะแบ่งได้มันก็จะแบกไม่ไหวมันก็จะทําให้เราเครียดได้เพั้นพยายามทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนเลือกสิ่์ข้อไหนที่เราทําได้แล้วรักษาสิ่์ข้อนั้นไปก่อนทําทีละข้อไปก่อนก็ได้เราค่อยๆเพิไปทีละข้อสองข้อไปต่อไปก็จะรักษาได้ัึงห้าข้อ คุณวิภาวีครับโลภโทสะโมหะที่สังสมมานานมีวิธีการที่จะทําให้สิ้นไปได้อย่างไรครับก็อย่าไปทําตามมันไงทุกครั้งที่เราโรลภเราก็อย่าไปทําตามมันอยากจะไปเที่ยวไม่อยาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะไปซื้อชุดใหม่ชุดหนึ่งทั้งที่เราเป็นเนือเน้อเฟอืออยู่แล้วพอใช้แล้วเราก็อย่าไปเราก็อย่าไปซื้อมัน ทุกครั้งที่มันลบเราก็ไม่ซื้อมันีน้ต่อไปมันก็จะ ม, มันก็ไม่มีความอยากจะไปซื้อของฟุ่มเวยคุณสิวัตรครับเรียนถามว่าเวลาที่มีคนทำให้เราไม่พอใจเรารู้ว่าควรเมตตาเขาแต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้ขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรดีครับก็เราต้องหยุดความโกรธของเราต่อน้ําการใช้สติบริกรรมพุทโทพุโทโธไป สวยครับเราไม่ต้องไม่ไมต้องไปสนใจตอนนี้เราต้องการหยุดความโกรธของเราก่อนพอเราหายโกรธแล้วเราก็สามารถที่จะให้เมตตากับเขาได้สงสารเขาว่าอ๋อเขาไปทํางนี้กับคนอื่นเดี๋ยวก็โดยเขาฟาดกลับเนี่ยในช่วงนี้เขามาทับกับเราเราก็ไม่ไปทําอะไรเขาขับสงสารก็ต่อไปว่าคนที่ไปไปทําให้คนอื่นโกรธเี่ไม่ใชก็เลยก็ต้องต้องเจ็บตัวเอง คุณทักครับคําถามจากเด็กอายุ11ปีนะครับผมต้องทําอย่างไรจรึงจะพ้นทุกข์ที่แท้จริงครับเริ่มจากการทาทานถือศีลและภาวนาไหมครับทำสามอย่างนี้ให้สม่ําเสมอจนเข้มข้นขึ้นพอไหมครับที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องทาให้เต็มรอ้อยทั้งสาอย่างทําทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยแล้วก็ภาวนาให้เต็มร้อยก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้ คุณลาตรีครับคำว่ารู้ทางพระพุทธศาสนาต่างจากเข้าใจอย่างไรครับคําว่ารู้นี่มันเป็นข้ารู้เฉยๆไงไม่รู้ว่ารู้รูปรู้เสียงรู้เกลื่นรู้ล้นนี่ก็เรียกว่ารู้แต่ไม่ได้ไปแยกแยะว่ารู้ผิดรู้ถูกรู้ว่ามันดีแล้วมันชั่วอันนั้นเปนเรื่องของปัญญาอันนั้นก็รู้ผิดถูกดีชั่วจิตนี้มีความสามารถที่จะรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ โดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์คือรู้เฉยๆอันนี้คือรู้รู้แบบเพียวเพรู้แบบไม่มีการปรุงแต่งเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้ามีความปรุงแต่งมามันก็จะมาวิเคราะห์ว่าผิดถูกดีชั่วสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความรู้ในระดับเขาเรียกว่าปัญญารู้แบบรู้ด้วยปัญญาถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วรู้รู้อะไรมันรู้ล่อมันเฉยๆไป คุณไลฟ์แฟนมายครับเวลาเราช่วยเหลือคนหรือสัตว์อื่นที่ลําบากจิตเรารู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้สงสารเขาเป็นทุกข์ไปกับเขาด้วยจิตหม่นหมองอย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับเราต้องฝึกโอเบคาเลยเราต้องพิจารณาว่าความทุกข์ของเขา น, นเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาที่เขาทามาต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนจะทํากรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แตอนนี้เขากำลังรับวิบากของของบาปที่เขาทาไว้ทําให้เขาต้องมาลําบากเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปแต่เราไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจไปกับความทุกข์ยากลาบากของเขาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปหะไปเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมได้คุณซีดครับตอนนี้สามารถนั่งสมาธิได้ครั้งละชั่วโมงอยากจะเพิ่มการปฏิบัติ ควรจะเพิ่มจำนวนครั้งของการปฏิบัติหรือเพิ่มเวลาในการปฏิบัติต่อครั้งครับอย่างอย่างไหนจะดีกว่ากันครับขอคาแนะนำครับคือมันไม่ใช่อยู่ที่เวลาอย่างเดียวที่เป็นตัวชี้ว่ามันการนั่งสมาธิของเราดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่ความสงบมันก็ไม่สงบมากกว่ า, านั้นถึงแม้ว่าเรานั่งไม่นานแต่จิตมันสงบนี่เดียว่า น, นั่งนานแล้วจิตไม่สงบ ประเด็นสําคัญนั่นยังอยู่ที่การมีสติมากน้อยถ้ามีสติมากก็จะสงบได้นานและอาจจะนั่งได้นามนด้วยแต่ถ้าไม่มีสติถึงแม้จะนั่งได้นามมันก็ไม่สงบมันก็จะได้เพียงแต่ความเพียรได้แต่ความพยายามได้แต่ความอดทนแต่มันก็ยังไม่ได้ผลก็ไม่ได้ความสงบฉะนั้นขอให้เราวัดกันที่ความสงบ แล้วัตถุที่ความสงบก็อยู่ที่การที่มีสติมากหรือมีสติน้อยถ้าอยากจะนั่งให้มันสงบนานก็พยายามฝึกสติให้มากกว่าที่มันน้อย ค, ค, คุณจิรวัตรครับกรณีปวดหลังแลนอนฟังธรรมแทนการนั่งถือว่าทําผิดไหมครับไม่ผิดเราถ้าเราอยู่คนเดียวหองเรานะ่ยแต่ถ้าเราไปฟังเทศที่วัดแล้วไปนอนฟังต่อหน้าคนอื่นนี่มันก็ การละเทสะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมาะสมในการจะฟังธรรมในระยะบทไหนในที่ไหนถ้าเราอยู่คนเดียวนี่ฟังได้ทุกแขงทุกคนคล้ายๆกันครับอาจารย์ถ้าเรานอนแล้วภาวนาพุทธโธไปด้วยได้ไหมครับได้แต่ประโยชน์มันจะไม่ค่อยเกิดท่านที่จะกังวลมันจะหลับไปก่อนเอามันอยู่ที่ท่าสบายกันไป คำถามบอกว่านอนเหมือนกันครับนอนฟังทำคุณสราบุตรครับการซื้อขายปล่อยเช่าพระเครื่องเป็นสิ่งที่ผิดไหมครับแล้วจะเป็นบาปไหมครับไม่หรอกมันก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปหลอกลวงเขาว่ามีไห้เขาอะไรนี่มีการทําภาพสำเร็จแบบหลอกลวงขึ้นมาแล้วก็เอามาขายชาวต่างชาติอย่างชาวต่างชาติที่เขไม่รู้เรื่อง แล้วก็ทำใส่กล่องมาอย่างนี้มีใบเซอร์ติฟิเคตอะไรปลอมงนั้นแล้วก็มาขายได้อย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงแต่ถ้าเป็นการซื้อขายแบบที่คนซื้อก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นเป็นสินช้าแบบนี้จะจะเป็นของปลอมแล้วเป็นของจริงก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหเป็นรื่องของความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายคุณไลโคพีนครับ การไม่มีรูปดีกว่ามีรูปไหมครับปา้าจารย์คิดยังไงครับเวลามีร่างกายมันก็เหนื่อยแล้วที่เราต้องคอยหายใจแล้วเมืองต้นก็ต้องคอยหายใจอยู่หายใจไม่ได้เลยแล้วขั้นต่อไปก็ต้องคอยเติมน้ํนนนนมม า, าให้มันอยู่เลยเดี๋ยวก็หิวน้ํา้ำเดี๋ยวก็เติมอาหารให้มันอยู่แล้วก็ต้องออกกําลังกายให้มันเสร็จแล้วก็เราพักผ่อนหลับนอนต้องทำละร่างกายทำความสะอาดว่ามันมีแต่สารพัดเรื่องให้เราต้องทําด้วย แต่เราไม่มีร่างกายที่สบายสบายคนที่ตายไปล้วนี้เขาไม่ต้องมาดูแลร่างกายเขาอีกต่อไปนะจนนี้ถ้ า, ามองในมุมกลับนี่คนตายกับสบายกว่าคนอยู่นะถ้า <c oughs> เราไม่กลัวตายทุกอย่างเรายอมรับความตายได้คนตายนี่สบายกว่าคนอยูนะ่คนอยู่นี่ต้องมีพระพุทธเจ้าบอกพระราหไว้ปัญจขันธ์ทางอะร่างกายที่เป็นภาระหนักอย่างยิ่งครับ <c oughs> ไม่มีร่างกายแล้วสบายอูปัสมุสโ ข, ข การวัฒสังขารได้ปล่อยวางสังขารได้นับนะเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราความหลงเรามันกับคิดละกลักบแต่ลอปัจจคิดว่าการมีร่างกายนั้ดีกว่าการไม่มีร่างกายเพราะมีร่างกายเราจะได้ไปใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่ม น, นั่นเองที่มันทำให้เราคิดว่าร่างการมีร่างกายดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วการไม่มีร่างกายมันก็ดีกว่าไม่ต้องมีภาระ เป็นคนที่มีรถกัไม่มีรถอ่ะคนที่ไม่ใช้รถแต่ต้องมีรถกับไม่มีรถอย่างนั้นจะจะสบายกว่ากันถ้าไม่ใช้รถแล้มีรถไปทําไมนะมีแล้วก็ต้องมาคอยทําความสะอาดต้องคอยพามันวิ่งไปวิ่งมาจาดที่งไวนานๆเดี๋ยวแบตก็เสื่อมอะไรก็เสียได้ก็เป็นภาระต้องต้องคอยดูแลรักษามันแต่ถ้วถ้าเราไม่ใช่รถแล้วไม่ต้องมีรถก็ได้สบายกว่าไม่ต้องผ่อนนะซื้อมา ซื้อก็ต้องเสียเงินถ้าซื้อสดก็ต้องเสียเงินสดถ้าซื้อผ่อนก็ต้คอยผ่อนเงินให้อยู่ตลอดเวลานั้นการไม่มีอะไรมันดีกว่ามีไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นนะพอมีอะไรแล้วมันจะมีทุกตามมาสเสมออาจารย์ตอบคำถาม tiktok บ้างนะครับบอกว่าป่วยเป็นหมอนรองกระดูกนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ถ้านอนสมาธิจะได้บุญบ้างไหมครับถามแล้วไงเมื่อกี้เนี่ย อีกอกฎหนึ่งบอกว่ารู้เห็นแบบเฉยๆกับรู้เห็นแบบมีปัญญาต่างกันอย่างไรครับก็ต่างกันตางที่ว่าถ้ารู้มีปัญญาเราก็จะได้อ่าทําในสิ่งที่คนจะทําละในสิ่งที่เราควรจะละแต่ถ้ารู้เฉยๆเราก็ไม่ทําอะไรไม่ไม่ละไม่อะไรเรารู้เฉยๆไปก็ท่านั้นเอง คุณสิดาพัฒครับบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิจิตแสดงถึงความพัดพาคจิตเศร้าหมองมากครับมีอาการหนาวเย็นแต่เหงื่อแตกเป็นอยู่สิวันเลยเข็ดกลัวนั่งสมาธิจิตแสดงความพัดพาคอีกมีโรคประจำตัวเป็นซึมเศร้าต้องทานยาคุมอาการควรแก้อาการกลัวเวลาจิตแสดงถึงความพัดภาคควรปฏิบัติอย่างไรครับแสดงว่านั่งสมาธิไม่ถึงนั่งสมาธิแบบไม่มีสติ ต้องต้องมีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิไม่ใช่พุโทโธตอนเริ่มต้นสักสองสามคำแล้วก็หยุดนี่พอหยุดปั้มจิตมันก็แสดงอาการต่างๆามาหลอกเรามาหลอนเรามาซร้อมความทุกข์ให้กับเราเนี่ยการที่จิตนี้มีการแสดงอะไรต่างๆแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราไม่ได้มีอยู่กับพุโทโธแล้วครับถ้าเน้นวิญาณอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นมานั่งสมาธิไม่ถูกวิธี มีพุโทโธตลอดเวลาในขณะที่เรานั่งสมาธิมีพุโทโธแล้วอาการต่างๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะจิตถูกพุโทโธกันเอาไว้ไม่ให้สแสดงอาการต่างๆขึ้นมาคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณอมพรครับพระอาจารย์สั่งสอนให้พูดพุดโทโธพุโทโธคือพูดติดติดกันได้ทุกเวลาที่เราทํากิ จ, จวัตรประจําวันเพื่อให้มีสติ คือคนละเอยียดกับการหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช่ไหมครับก็อันเดียวกันพเพียงแต่ว่าการดูลมหายใจพุทเท่าโทออกนี่มันอาจจะยุ่งยากโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้นํา ไ, ไาไม่ได้นั่งเฉยถ้าเราเคลื่อนไหวห ท, ำทำนู่นทานี่เราสามารถใช้พุทโทพุทโทไปได้อย่างง่ายอย่างสะดวกอย่างง่ายดายแต่ถ้าเราทําอะไรแล้วเราต้องมาดูลมด้วยพุทโทด้วยมันเลยยุ่งไปใหญ่การ เลยมีงานให้เราทับต้องมากเกินไปอย่างถ้าเราจะดูลมนี้ต้องดูลมในช่วงที่เรานั่งเฉยๆแล้วถ้าเราจะใช้พุโทโธกํากับไปกับลมก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธกํากับไปกับลมก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนบางาคนเขาดูลมเฉยๆแล้วมันยังไม่มันยังไม่นน่งมันยังไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยเอาพุโทโธมากำกับคู่กับลมหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกเขาว่าโธ บางคนดูนมเฉยๆแล้วใจก็นิ่งไม่คิดอะไรเขาก็ไม่ต้องใช้พุโทโธแบบกลับด้วยก็ได้ดูนมเฉยๆอย่างเดียวก็ได้บางคนใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ทําใจให้เขาสงบก็ได้พดัะนั้นมีอยู่สามวิธีด้วยกันในการฝึกนั่งสมาธิเวลานั่ง น, นะสามารถเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเวลาที่เราไม่นั่งเนี่ยใช้พุโทโธอย่างเดียวดีที่สุดถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่เดินไปเดินม า, ท, านทํานู่นทํานี่เราใช้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวจะดีที่สุด สด่นอกที่สุดวันนี้มีเพื่อนๆฟังทางเฟ c e b o o เก้าร้อยสี่สิบห้าคนครับใน y o u ู u หกร้อยห้าสิบเอดคนในครับเฮ u s ์แปดคนครับวันนี้มีเพิ่ม t ิกตอ k มาตอนครึ่งชั่วโมงหลังสามร้อยสี่สิบห้าคนครับพเจรเลยรวมเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าคนครับอาจรไม่ทราบว่าพวกทิกตอเนี้พวกอย่างกับพวกที่ดูทางเอนบุ๊กหรือเปล่ า, า, านาจะจริญแ้ น่าจะคนละกลุ่มครับอาจารย์แต่ว่ามีบางคนพักว่า พ, พอพได้ยินเสียงอย่างเดียวก็บอกว่ากับน้มัสการพระอาจารย์สุชาหติครับมีมีคนครู้จับก็แล้วแต่อย่างนั้นก็เป็นเป็นมีมช่องทางหนึ่งที่ติดตามอยู่ถ้าบกุกติกตอกเวลามันก็เลยต้องพันเก้าเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่รวมทิกตอมันจะพันหกร้อยกว่าครับแต่พอบุกทิกตอกไปก็พันเก้าร้อยกว่าครับโอเคก็รับทราบไว้ก็แล้วกันไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เลยรรูปเฉยๆสักแต่ว่ารูปไป รู้เฉยๆก็ไม่ดีใจไม่เสียใจถ้าไปรู้น ว, วิเคราะห์ว่าเปรียบเทียบว่ามันมากกว่าวานันก่อนขาที่แล้วมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกดีใจขึ้นมาก็ได้แต่ถ้ามันเปรียบเทียบแล้วมันน้อยกว่าข่าที่แล้วมันก็อาจจะเกิดความเสียใจขึ้นมาก็ได้ดังนันบางทีรู้เฉยๆย็ดีกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไปใจก็จะได้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆกับมันไปก็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 ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไวเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกับขอบพระคุณพอาจารย์ครับ